อาจารย์ครับกแบบรรมวัตรการครับผมอ่าจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่ า, านอาจารย์วันนี้สิ้นปีเลยครับอาจารย์กนใสบาทเดียวไหมครับอาจารย์ครับวันนี้แปดร้อยแปดสิบโอ้โหโอ้โหดับเบิลเลยนะคบอาจารย์เมื่อวานสี่ร้อยเจ็ดสิบสองอ๋อ <c oughs> ใช่ใช่ครั <มะ S 1> อบอาจารย์สองท่านพรุ่งนี้คงจะมากกว่านี้เป็นขันแน่อืม เกินเป็นเกินชั่วโมงครึ่งถึงไหครับอาจารย์ครับนั่งก็ประมาณประมาณชั่วโมงครึ่งพอดีเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบห้าเป็นแ่เส็จริ่มต้นประมาณเจ็นโมงสิบห้าอะหกโมงสิบห้าับมโอ้าสถูกครับอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครั้งที่หนึ่งร้อยสามสิบหกแล้วครับเป็นตอนสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสบหกแล้วนะครับอาจารย์ครับ ก็ปีใหม่ครับอาจารย์พวกเราก็คงจะตั้งใจจะขอพรพระอาจารย์นะครับแล้วก็ออยากจะมีความเจริญขึ้นในปีหน้าๆครับก็เลยอยากจะกราบขอความเมตตาขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องเหตุแห่งความเจริญที่ไม่มีเสื่อมนี้พอจะมีได้ไหมครับอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาครับคือความเจริญนี้เราก็แบ่งเป็นสองกระดับหมายถึงความเจริญทางด้านจิตใจนะจิตใจ จเจริญพราะบุญกุศลที่เราสร้างกันที่บุญกุศลที่เราสร้างกันนี้มันมี2ระดั บ, ระ ด, บ, ร, บระดับโลกียะกับระระดับโลกุตตระถ้าเป็นระดับโลกียะนี้ยังเสื่อมได้เช่นทำบุญทำทานรักษาศีลหก็ได้เรื่องระดับจากมนุษย์ไปเป็นเทพนต่หลังจากไปอยู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วสักระยะหนึ่งบุญที่เราได้ทำไว้ก็จะหมด ก็จ ะ, กะเกษมลงมาเป็นมนุษย์ใหม่ถ้าเราบันเพ็นสมาธิเข้าฌานได้เราก็ไปสู่ระดับชั้นพรหมชั้นรูปประภมชั้รูปประภมแต่ก็ต้องเสื่อมลงมาเมื่อฌานหมดกําลังลงสมาธิหมดกําลังลงมันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาทําบุญใหม่ทําบุญทํากุศลใหม่ส่วนระดับโลโกตระนี้เป็นระดับปัญญาระดับที่ไม่เสื่อม คือระดับที่จะทำให้ทาลายสิ่งที่มาทำความเสื่อมให้กับใจความสุขของใจเหตุที่ทำให้ใจความสุขในใจเสื่อมก็คือสังโยชน์ทั้งสินะัสังโยชน์ทั้งสิงนี้คือกิเลสคือความอยากที่เวลาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะทำให้ความสุขที่ได้จากความสงบของสมาธิมันก็เสื่อมแต่ถ้าเราสามารถกําจัดสังโยชน์ได้ เราก็จะสามารถารักษาความความสงบความสุขที่ได้แบบไม่เสื่อมได้แต่มีแบ่งเป็นสี่ระดับด้วยกันสังโยชน์ที่จ ะ, ะนี้แบ่งเป็นสี่ระดับระดับแรกก็ละสังโยชน์สามสีลับพัตตาปริรมาวิจิกิจชาแล้วก็อ ะ, อ, ะอะไรทิฏฐินะตระ ก, ย า, กยาทิฏฐิเอ อันนี้ถ้าละาได้แล้วก็จะได้รับความสุขระดับของพระสุวดาบัน ไ, ได้เป็นพระสุวดาบันแล้วจะไม่มีวันเสริมลงมาเป็นปุตุชนอีกต่อไปแต่ยังยังละไม่หมดยังมีมีสังโยชนที่เหลืออีกเจ็ดก็ต้องไปละอีกสองคือการมาราคะกับปฏิฆะซึ่งในระดับที่สองนี้ เพียงทำให้มันเบาบางลงลดลงประมาณครึ่งหนึ่งอย่างนี้<ม>ก็ถือว่าได้บรรลุถึงขั้นที่2ทําให้ความสุขที่ได้จากการละการมาราคะได้แต่ยังไม่หมดก็ทําให้มีความสุขเพิ่มมากขึ้นพระสกิดาคามกีก็จะไม่เสื่อมลงมาเป็นพระสว ด, ดามันแล้วพอไปขั้นที่3ได้ขั้นที่3ก็คือต้องละการมาราคะกับปฏิฆาได้อย่างหมดหมดจดเลยหมดสิ้นเลยร้อ ไม่มีกามหลงเลยความความอยากเสพกามลงเลยอยู่เลยก็จะได้ความจบระดับที่สามคือพระอน า, าคามีถ้าเป็นบระอนาคามีก็ไม่เสื่อมลงมาต่ำกว่านั้นจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแล้วเพราะว่าละความอยากเสพกามได้ไม่มีจําเป็นจะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการเสพกามทั้งหมดแล่ยังมีสังโยชน์อีกห้าข้อที่พระอน า, าคามียังอา ยังทำลายไม่ได้ก็ยังสามารถทำให้ใจนี้ยังไปไม่ถึงความสุขที่สมบูรณ์ที่สูงสุดคือความสุขของพระอาหารหันต์ของพระพุทธเจ้าแต่ถ้าได้ทำลายสังโยชน์ที่เหลืออีก5้าข้อคือรุปรากะอุปปราคะ อ, อ, อุทัจจามานะละกาวิชา ถ้าทำลายสังโยชน์ทั้งหาข้อนี้หมดแนละ้วจิตก็จะสุดผุดผ่องปราศจากกิวเลสปัญหาปราศจากสังโยชน์ทั้งสิบจิตก็จะไม่มีวันเสื่อมหนึ่งต่อไปก็จะอยู่ในระดับของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุขขังเป็นความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุมไม่มีวันเสือ่อมไม่มีลดน้อยถอยลงมาเป็นเปี่ยมตลอดเวลาเหมือนน้ำที่เต็มแก้วอื จะไม่มีวันพลาดอีกต่อไปอันนี้ก็คือความสุขระดับโลกุตตะละโลกุตตะละคือความสุขที่เหนือโลกโลกแห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดโนกียะนี้คือความสุขที่ยังอยู่ภายใต้กฎของโลกียะอยู่ของโลกแห่งการเวียนว่ายตาเยเกิดก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตายอยู่ถังนั้นเราอยากจะสร้างความสุขสร้างความสาบของจิตใจ ต้องไปถึงระดับโลกุตระให้ได้คือระดับปัญญาวิปั ส, สนาภาวนาะแต่ก็ต้องผ่านขั้นโลยะขึ้นมาตามลาดับก่อนมันจะขึ้นเลเวลจากชั้นหนึ่งไปสู่ดาดฟ้าเราก็ต้องขึ้นจากชั้นชั้นชั้นล่างแล้วก็ขึ้นไปชั้นสองชั้นสามไปผ่านไปเรื่อยจนถึงขั้นสูงสุดเนี่ก็คือความสุขความเจริญของจิตใจเป็นสิ่งที่เราทําได้ ควบคุบังคับได้แต่ความสุขความเจริญตามโลกธรรมนี่มันเป็นมเป็นของที่ไม่แน่นอนนาำลดเสริญเสริญและความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสภาพนี่บางทีเราก็ทําได้ให้มันเจริญได้แต่บางทีก็มันก็ไม่ยอมเจริญอยากจะให้มันรวยมันก็ไม่รวยอทํายังไงบางทีมันก็ไม่รวยหรือว่ารวยเราจะไม่อยากให้มันจนบางทีก็ห้ามไม่ได้แต่เวลามันจะจนมันก็จน เรความสุขทางเรามันเป็นอย่างนี้บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้มันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นนอกจากการกระทําของเราแล้วมันมีปัจจัยอย่างอื่นที่มาเกี่ยวข้องด้วยมันก็เลยทําให้การเจริญและการเสื่อมของโลกกระทำนี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราได้เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหวังกับความสุขความเจริญทางโลกกระทำเลย เพราะมันอาจจะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจได้ถ้าเราไม่ได้นําที่เราต้องการเช่นช่วงที่เลือกตั้งผานมาเนี่ยทุกคนก็มั่นหมายวาจะต้องได้รับเลือกตั้งได้เป็นรัฐมนตรีได้เป็นอะไรแต่พอผลออกมามันก็คือบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เอ่อาะถ้าไปมุ่งไปหาความสู่ความเจริญทางโลกกระทำก็จะต้องมีโอกาสที่จะต้องผิดหวังที่จะต้องเสียใจ ถ้ามุ่งไปความสุขความเจริญของหน้าจิตใจนี้ไม่มีวามเสียใจไม่มีความเพลหวังถ้าเราทําเหตุให้ครบบริบูรณ์ได้รักษาศิ่งห้าได้ก็ปิดประตูบายทํำงงทำทานก็จะลกระดับใจจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพรักษาสิ่งแปเข้าสมาธิเข้ารูปฌานได้ก็ไปสู่ระดับรูปกระพงถ้าเข้าเข้าอารมณ์อารมณฌานได้ก็ไปสู่ระดับอารมป์กระพง เรเจริญวิปัสสนาพิจารณาเห็นอริยสัจ ส, สี่เห็นตายรับได้ก็ไปสู่ระดับโลโกตรัพระดับพระอริยบุคคลที่สามารถละสัโยชน์ได้สัโยชน์นี้ต้องละด้วยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาทําไม่ได้สมาธิเพียงแต่กดสัโยชน์ไว้ไม่ให้ทำงานชั่วคราวในเวลาออกจากสมาธิมาสังโยชน์ก็จะกลับมาเหมือนเดิมต้องใช้ปัญญาต้องเห็นตายรักเห็นอนัตตา แล้ว่าทุกอย่างไม่มีไม่มีตัวตนเช่นคาน้าตัวเรานี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นของธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมาด้วยธาตุสี่ในน้ำลงไปแล้วธาตุนู้นคือใจเราไปไปสวมไปปไปยึดครองเมื่อชั่วข่าวเอามาเป็นเครื่องมือในการหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็ควบคุมร่างกายให้อยู่กับเราเป็นไม่ได้ตลอด ร่างกายก็อยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเห็นอย่างนี้ก็หยุดความอยากที่จะไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะไปใช้ก็ร่างกายเป็นเคองมือไม่จะต้องผิดหวังไม่จะต้องทุกข์ไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ร่างกายไม่สามารถตอบสนองความอยากของเราได้ก็ตัดไปเลยตัดสังตัดการที่จะไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วก็ละสามีโอดได้ อแต่เราก็ไม่ต้องมาทุกข์กังวลกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอืในระดับในระดับพระสุวรรมันแตยังตัดความความสุกขคือีกล้ายศระดับของพระอนาคามีไม่ได้คือยัง ม, ยงมียังมีกามาตนยังมีการมาราคะอยู่ ราสกายทิฏฐิความเห็นผิดเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราเห็นว่าการฆาเป็นเราของเรานี้ได้แต่ยังไม่ได้ละกามาราคะต้องเจริญอสุภะอมตะอิญญาละอสุละกามราคาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราทําได้ความเจริญความสงบความเจริญทางนั้นจิตใจนี้อยู่ภายใต้ความสามารถของเราที่เราจะทําได้ถ <öß Are S 1> <femme> ้าเรามีอินทรีย์ ที่แก่ก้ามีศรัทธามีวิริยะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็สามารถเจรละสัญน์ทั้งสิ่งได้เราก็จะบรรลุถึงเราขุดตราดรรทำที่จะไม่ทำให้จิตใจที่ได้บรรลุถึงเราเสื่อมลงมาไปอีกต่อไปเราควรจะมุ่ไปที่ทางความสุขความเจริญของจิตใจนี้กัน เราความสุขก่อนเจอทางโลกกระทำมันก็แค่ชั่วขณะที่มีชีวิตอยู่นี่เท่านั้นเองบางทีไม่ทันตายมันก็เสื่อมไปก่อนก็มีเพราะฉั้นอย่าไปหาขอความสุขจากโลกกระทำจะต้องจบลงด้วยความเศราสสใใ้าโศกเสียใจก็ได้ตั้งชื่อเรื่องว่าเหตุเป็นหาเหตุเพราะพระอาจารย์เคยสอนว่าเราอย่าไปขอที่ผลให้เราให้เราหาที่มา ผลเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องเกิดจากการกระทําครับปฏิบัติทานศีลภาวนาเรื่องมากแต่ศีลสมาธิปัญญาถึงจะสามารถได้ผลต่างๆเหล่านี้หนะ้าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติมาแล้วได้ผลแล้วจึงเอามาเผยแผ่สัง่งสอนให้กับพวกเราพอพวกเราไปปฏิบัติได้มบรรลุเป็นพระสาวกได้บรรลุเป็นท่านานได้ ก็เพราะอยากการเชื่อในศรัทธาในคำสอนของพระเจ้ามีวิทยาความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติที่จะเรินธรรมที่ทรงสอนให้เจริญสติสมาธิปัญญาพอเจริญแน่ครบเต็มน้อยก็มนุษย์นับผลที่ผ่านได้อล้วหนังเรื่องนี้จบด้วยความสุขอย่างแท้จริงขอบคุอย่านคนน้อย ถ้าถ้าดทางทางโลกกับทาก็ต้องจบด้วยคับเศร้าเขายังต้องสูญเสียกังหมดแล้วต้องตายพัดาดจากกันไปในที่สุดดาวหนังแบบไหนดีหนังแบบจบอย่างหวานจ้อยแล้วหนันจบอย่างเศร้าเศร้าโศกเสียใจถ้าไปทางโลกกับทาก็จะจบอย่างับเศร้าโศกเสียใจไม่ว่าจะเป็นมาเสตธีรบวยขนาดไหนก็ตามก็ต้องแก่เจ็บตาย ขอบจ บ, บมีความสุขตลอดไปไม่เสื่อมนะครับพระอาจารย์ <c oughs> อนิพานเนี่ยพระเจ้าปานเสริญ ด, ดับฐานอนิพานจิตของนัานก็ยังปราังสุขครั้งอยูอ่ไม่ติดตุ ก, กับความเกิดความตายของร่างกายเลยอ ข, อขอบคุณพระอาจารย์ครับได้กําลังใจเริ่มต้นปีหน้าอย่างดีเลยครับรอารรคับมุ่งไปที่สัทธาสติสัธาวิยะสติสมาธิปัญญา สร้างทำท่านห่านนี้ให้เกิดขึ้นมาให้เป็นพาระขึ้นมาะแล้วก็จะออกบวชได้จะปฏิบัติอย่างเต็มร้อยได้ถ้าเห็นแล้วว่าทางโลกมันเป็นทางสู่ความสร้างโศกเสียใจไปทําไมไปทางธรรมดีกว่าทางธรรมมีแต่จะมีแต่ความสุขความเจริญรอเราอยู่ข้างหน้าจบด้วยความสุขความเจริญที่สมบูรณ์ที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด กลบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับขอโ อ, อกาสถามคำถามจากเพื่อนๆนะครับ mm hmm. คุณไร่ปีนครับสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทำให้ใจสงบตลอดเวลาได้ใช่ไหมครับมันจะต้องมีช่วงเวลาที่ไม่สงบแล้วก็ต้องเข้าสมาธิ mm hmm. มันไม่ได้สงบตลอดเวลาเหมือนจะละสังโยชน์สิธิแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะว่ามันมีหลายปัจจัยที่จะทาให้เราต้องออกจากสมาธิมาขื้นหนึ่งก็ต้องมาดูรายร่างกาย เรจะเข้าสมาธิไปตลดอดเนี๋ยร่างกายมันก็ปวดฉี่ปวดท้องหิวมันต้องออกมาบำรุงร่างกายแล้วถึงกลับเข้าไปสมาธิใหม่คนบางคนที่มีสติดีเข้าฌานได้ทีสิบห้าวันก็มีที่มีข่าวคนนี้เขามีสติที่ดีแต่เขาก็ยังต้องออกมาอยู่ดีจะ อ, อยู่ในนั้นเป็นใหเนเน้เป็นนิพพานไปนอย่างถาวรไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ปัญญากบ กำจัดความอยากต่างๆที่มาทำลายความสงบที่ได้จากสมาธิเราก็ไม่ต้องเข้าสมาธิเพราะจิตมันก็จะสงบเหมือนับเข้าในสมาธิถ้าเรากำจัดตัวที่มาคอยทำให้ความใจเราไม่สงบก็คือความอยากต่างๆนี่คุณแลค์กพีนครับกรณีลืมตาเข้าสมาธิถ้าเดินอยู่มันจะหยุดอัตโนมัติเลยไหมครับ มันจะเข้าสมาธิยากถ้ามีการเคลื่อนไหวทางร่างกายถ้ายัางมีการรับรูปอะไรเข้ามาทางตาอยู่ใจมันจะต้องทำงานขันคือสัญญาสังขารวิญญาณมันจะทำงานนี่เราภาวนานนเราต้องการหยุดสัญญาสังขารวิญญาณชัว่วคราวเราต้องปิดถวานสำนวนวินรีตาหองจมูกนิ้วกายอย่าไปรับรูปอย่าไปสนใจแล้วก็ให้ จะเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะเป็นคำํคำเลกรรมพุโทโธก็ได้จะเป็นการดึงลมหายชใยเข้าออกก็ได้หรือกรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้ถ้าเราใช้เป็นแต่ส่วนใหญ่สาหรับผู้ที่เริ่มต้นนี้ยการใช้คำเลกนรำพุโทโธหรือการดึลงลมนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเหมาะที่สุดแต่ถ้าปฏิบัติไปมากๆแล้วอา จ, จะเปลี่ยนเป็นใช้กรรมาฐานอย่างอื่นก็ได้ใช้อาจจะเพ่งคงก็ะดูกก็ได้คงกระดยกมาเป็นอารมณ์ ก็อาจจะดูอาการสา32ของร่างกายไปก็ได้แตนี้มันมันขึ้นอยู่กับภาวะของจิตใจในตอนนั้นด้วยว่าถูกอะไรมามาสร้างความวุ่นวายถ้าเกิดการมาราคะมาสร้างความวุ่นวายก็ต้องพิจารณาการสา32ของร่างกายเห็นส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะระงับดับการมาราคะได้ชั่วข่าว คุณสมพรครับโยมไม่ได้ถือสินแปดแต่น่าจะถือมากกว่าสีลห้าจะไปตกมาลกไม่ครบสินแปดตรงที่ <c oughs> ต่อไปครับ้านอาหารหลังเที่ยงวันไปแล้วอย่างนี้พอจะเรียก่าถือสินหกสินเจ็ดได้ไหมครับได้ก็เราถือได้กี่ข้อมันก็ได้แค่นั้นแล้วเรายังกินอาหารอยู่มันอาหารนี่ก็จะมีมีเป็นนิวรนได้เป็นอุปสรรคต่อการทำสมาธิได้ พอเราจะคอยคิดถึงอาหารอยู่เรื่อยๆแทนที่จะคิดอยู่กับพุโทโธคิดอยู่กับลมอายใจเดี๋ยวคิดถึงอาหารก็ต้องหยุดนะเดี๋ยวไปพักไปกินข้าวก่อนกินขนมก่อนไปดื่มเครื่องดื่มก่อนมันก็จะเป็นอุปสรรคเดวถ้ากินมากๆอร่อมากๆ ม, ม, ม, มันก็จะอิ่มเนิ่นท้องมันก็จะทําให้น่วงนอนเขี้เกียจนั่งสมาธิการจะภาวนาได้ผลดีพระเจ้าบอกต้องมีความรู้จักประมาณในการบริโภคอาห ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ให้อิ่มกินเพื่อดับความหิวอย่าไปกินเพื่อให้มันอิ่มจนนั่นท้องมันจะทำให้เกิดความง่วงเหงาหง่อนขึ้นมาเวลาเวลาออกจากสมาธิแล้วใช้ปัญญาสอนใจอย่างไรให้ใจสงบได้ตลอดเวลาครับคือปัญญามันมีอยู่สองสองสองระดับระดับทำการบ้านกับระดับทำข้อสอบ บางทีเราออกจากสมาธิมาใจาเรายังสงบอยู่ไม่มีกิเลสมากก่อกวนใจเราก็เราก็ไม่ต้องใช้ปัญญามารักษาความสงบเพรตอนนั้นมันสงบยังสงบอยู่เราก็จะใช้เราก็อาจจะใช้ปัญญาเป็นการทําการบ้านก่อนเช่นใจเราอาจจะไม่สงบต่อไปถ้าเกิดแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา จ, จนเวลาไปหาหมอแล้วหมอเขาบอกเป็นมะเร็งเงี้ยเหล้ออีกหกเดือนอย่างเงี้ยอันนี้เราก็า จ, จะต้องมาเตรียมตัวทําการบ้าน กับข้อสอบอันนี้ก่อนว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นอะไรไปไปหาหมอหมอบอกว่ารักษาไม่ได้เหลือแค่หกเดือนนี้เราจะทํำยังไงเราจะทําให้ใจเราสงบได้หรือไม่รักษาให้มันสงบต่อไปได้หรือไม่แล้วมันก็จะพิจารณาว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงมันต้องแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาเรื่องพบการแก่เจ็บตายไปไม่ได้คําสอนให้เรายอมรับความจริงอันนี้ให้ได้ ถ้ามันยอมรับได้เวลาเจอข้อสอบมันก็จะเฉยได้ยอมรับตายก็ตายเพราะมันต้องตายมันต้องเจ็บนะครพระอาจารย์ครับขอวิธีสร้างพลังจิตเพื่อนํามาใช้ในการถือในสัจฉิกครับคือพลังจิตมันก็เกิดจากศรัทธานี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีธรรมเหล่านี้ในใจจิตเราจะมีพลังถ้ามีมาก ถ้ามีน้อยแล้วก็อินทรีย์ตัวแรกที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาก่อนก็คือศรัท ธ, ธาเพราะเราไม่มีศรัท ธ, ธาเราก็จะไม่มีความขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าดังนัต้องศึกษาธรรมะคําสอนของพระเจ้าจากคําสอนของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายได้ยินด้คัาธรรมของท่านได้รได้ยินได้ฟังวิธีการปฏิบัติการต่อสู้กับกิเลส ข, ของท่านมันก็จะทําให้เราเกิดในศรัท ธ, ธา ที่อยากจะทําตามท่านได้เพราะเรามีศรัทธาแล้ววิญยาความเพียรมันก็จะตามมามันก็จะรู้ต้องเพียรทำอะไรเพียรเจริญสติเพียร น, ยนั่งสมาธิแล้วก็เพียรเจริญปัญญาตามลําดับต่อไปถ้าทำอย่างนี้แนละ้วต่อไปมันก็สามารถนั่งในสัจจคิตได้ถ้ามันถูกกัะจิตกับเราการปฏิบัติในสัจจคิตนี่ไม่มาครับทุกคนจะต้องปฏิบัตินะมันมันเป็นอุบายวิธีอย่างหนึง่งในการเสริมความเพียร คือไม่ให้นอนมากให้นอนถ้าจะนอนถ้าจะหลับให้อยู่ในท่าถ้านั่งไม่ให้อยู่ในท่านอนเพราะถ้านอนแล้วมันจะนอนยาวหลายชั่วโมงก็อยู่แค่ให้ถือสามวิทยาบทคําว่าในสัจฉิกยนเดินกับนั่งแต่ไม่นอนเราก็ไม่ได้ให้ทำทุกวันทุกเวลาอันนี้เป็นเป็นช่วงๆที่เราอยากจะเร่งความเพียรเราก็อาจจะถือในสัจฉิก มีวิธีอื่นไม่ต้องใช้ในสัตว์ก็ได้บางคนถูกเจลิกเกี่ยวกับารอดอาหารท่านก็ซื้อการอดอาหารเป็นเป็นอุบายในการเล่นความเพียรได้บางท่านก็ติดถนัดกับการเดินยนกมเป็นชั่วโมงชั่วโมงท่านก็ใช้การเดินยนกมที่มันชั่วโมงก็มีบางทีห้าหกชั่วโมงก็มีบางทอย่างนี้ก็แล้วแต่เจลิกของแต่ละคนที่จะถนัดกับอุบายอย่างใดเราก็ใช้อุบา ย, ยานั้นไป ไม่ใช่ว่าเราได้ยินว่าเขาทําในสัตว์ที่วเราจะต้องทําตามด้วยไม่จําเป็นไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นตัวที่ว่าจะต้องต้องทําทุกคนอันนี้แล้วแต่จริตคุณแต้มสีครับการที่เรากลัวสัตว์บางชนิดที่ไม่มีอันตรายเช่จนจิ้งจกตุกแกเป็นเพราะกิเลสหลอกจิตใช่ไหมคะดิฉันเป็นคนไม่ค่อยผีแต่กลัวสัตว์พวกนี้ยิ่งกว่ากลัวผีค่ะเพราะพระยังอยู่ตามป่าช้าจนหายกลัวผีแล้ว เราพอจะมีวิธีให้เลิกกลัวจิงจบบ้างไหมครับเราลองใช้ปัญญาดูเลยมันจะทำลายเราได้ง่ายกว่าเราไปทำลายมันหรือเปล่าใครจะตัวใครใหญ่กว่ากันใช่ัหมถ้ามันมาทำลายเราได้เราน่ยจะเป็นตัวที่ไปทำลายมันมากกว่าทำร้ายมันมากกว่าลองใช้ปัญญาคิดดู ผมนั่งสมาธิเมื่อหลายวันก่อนแล้วปวดขาครับแล้วก็มีความสุขแล้วหายปวดขาอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็กลับมาปวดขาอันนี้ใช่คณิกาไหมครับอาจารย์ถ้าสงบก็อาจจะเป็นคณิกะหรือเป็นอัปปนานก็ได้ถ้ามีความสุขมีความสงบไม่ไม่รู้สึกเดือดรนกับอาการเจ็บปวดของร่างกายถ้าถือเนสทิกตอนนั่งหลับพิงข้างฝาได้ไหมครับ อันนี้เราก็ไม่ได้ปฏิบัติเราก็ไม่รู้คงไม่มีข้อห้ามตามใดถ้าไม่ได้นอนน mm hmm. ถ้าอยู่ในท่า น, นั่งก็ยังถือว่าเป็นในสัตว์ชีอยู่ถ้ายืนหรือท่านั่งหรือท่านเดินชามีลิยาบทแล้วในสัตว์ชีพทให้การปฏิบัติก้าวหน้าอย่างไรครับก็เอาเวลาที่นอนมาปฏิบัติง่ยมีเวลาปฏิบัติมากขึ้นมีชั่วโมงเิ้นมากขึ้น ถ้ามีชั่วโมงบินมากขึ้นมันก็จะได้บินไปได้ไกลขึ้นใช่ไถ้าชั่วโมงชั่วโมงบินน้อยมันก็บินไปไม่ได้ไก่การที่ถือในสัตว์ทิพก็จะได้แทนที่จะนอนสี่ห้าชั่วโมงก็นอนแค่ชั่วโมงเพราะบางทีนั่งหลับนี่มันหลับสักชั่วโมงมันก็อาจจะเมื่อยคอนะมันก็อาจจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะได้ปฏิบัติต่อแล้วได้เลยคุณอัล า, ารครับ เรื่องทําวัดสดมน์คือบ้านอยู่ไม่ห่างจากวัดทุกๆเช้าเวลาแปดโมงครึ่งพระจะสดมนได้ยินมาถึงที่บ้านแล้วเราอนุโมทนาสาธุกราบเรียนถามว่าเราได้บุญหรือไม่ครับการอนุโมทนามันก็ได้บุญไม่มากแต่ว่าเราก็ไม่ลาคาญเราก็ชื่นยมยินดีกับการสวดมนซึ่งบางคนอาจจะลาคาญแล้วไม่อยากไม่อยากจะให้ไม่ให้สดก็มีก็จะทําให้จิตใจเขาไม่มีความสุข แต่ถ้าอนุโมทนาก็จะทำให้จิตใจมีความสุขจากการที่เราได้ยินเสียงสวดมนต์เท่านั้นเองแต่ไม่ได้ได้อันนี้สองมัเกี่ยวกับการสวดมนต์ด้วยตัวของเราเองมันดําบุญคนละอย่างกันคุณไลค์ขพีนครับสมัยก่อนไม่เพราะสมัยก่อนไม่มีนาฬิกาปลุกหรือเปล่าครับพระท่านถึงถือในสัต ช, ชิกถ้าเป็นสมัยนี้นอนปกติตั้งแต่ ถ้ำโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่กำหนดเช่นสองชั่วโมงให้ผลเหมือนกันไหมครับครไบเพียเดียวต้ <c oughs> กรู้นะครับเพืเ่อนๆครับน้ำที่น้ำลายมันก็เข้าไปครับผม <c oughs> คือไม่ทราบสาเหตุคงก็ไม่ใช่เพราะไม่มีวันลายเลยการออกมาเพราะเขาก็มีวิธีมีโดจันมีอะไร ก็มันอาจจะเป็นเรื่องของอุบายของการปฏิบัติเพราะไม่อยากจะนอนมากมากกว่าอาจจะเล่นความเพียรเพราะเห็นเห็นเวลาว่ามันมันมีค่าแล้วอาจจะหมดได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เล่นความตายอาจจะมาเยือนถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้บางทีไปเห็นคนที่เรารู้จักตายไปนี่ก็อาจจะทำให้เราเกิดความรู้สึกเฮ้ยเราต้องรีบวันนะคัต่อไปอาจจะเป็นเราก็ได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าเราจะมานั่งปฏิบัติแบบสบายๆวันละชั่วโมงสองชั่วโมงมันอาจจะไม่พอนะไม่ทันเวลาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณแลค์ีนบอกว่าต้องฝึกอย่างไรถึงจะได้มาหาสติครับพระอาจารย์ก็ฝึกสติไปเรื่อยๆไม่ให้ไม่ให้ขาดตอนตั้งแต่เตื่นจนหลับต่อไปมันก็จะเป็นมหาสติขึ้นมา คุณแต้มสีครับการฝึกกสินจําเป็นต้องมีครูบาอาจารย์สอนแนะนําควบคุมการฝึกนะครับก็แล้วแต่ว่าคุณรู้เปล่ารู้วิธีปฏิบัติหรือเปล่ามันเป็นยังไงถ้าไม่รู้ก็ต้องมีคนสอนจะเล่นเทนนิสนี้ไม่มีคนสอนถ้าเราไม่รู้วิธีก็ต้อง ม, มีคนสอนเล่นจะตีกอล์ฟก็ต้องมีคนสอนจะทำอะไรที่เราไม่รู้ก็ต้องมีคนสอนถ้าเรารู้แล้วก็ไม่ต้องมีคนสอนใช่ไหมอยู่ที่เรารู้แล้วไม่รู้คุณกล้องบอกว่า ขออนุญาตกลับเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระภิกษุสามารถมีบัญชีธนาคารเป็นชื่อของตนได้หรือไม่ครับกลับเรียนถามด้วยความเคารพครับเทาที่ทราบมาก็ไม่ไม่ไม่ผิดพระวินัยตรงไหนเพราะว่าไม่ได้ครอบครองเงินไว้เงินนี้ไม่ให้ครอบครองเก็บไว้กับตัวตัวเองเช่นอยู่ในกุฏิส่ย่ามไอหนก็ฟักออกมาซื้อข้าวซื้อของด้วยตัวเองอย่างนี้ทําไม่ได้แต่ถ้ามันไปฝากผู้ใดผู้หนึ่งที่ไว้ใจได้ สมัยก่อนเราเรียกวายาวัจกรญาติโยมคนที่เชื่อถือมีเครดิตดีเราก็ฝากเงินที่ญาติโยมบริจากไว้กับเขาและเราต้องการซื้อสิ่งใดก็บอกให้เขาไปช่วยจัดการซื้อมาให้ไม่ให้ไปซื้อเองแต่ไมัยนี้เราก็มีวายาวัจกรคือธนาคารครับก็ฝากไว้ธนาคารก็บอกว่าฝากไว้ก็ต้องรู้ว่าเป็นของใครก็มีชื่อของท่านติดไว้หน่อย ส่วนนี้เป็นของท่านจะได้ไม่ไปสับสนกับเป็นของคนอื่นเข้าเท่านั้นเองแต่ก็ยังไม่ไม่สามารถไปเบิกเอาเงินจากธนาคารสายย่างแล้วก็ไปซื้อของไปช้อปปิ้งตามสถานตามสูตรการค้าต่างๆได้ก็ยังต้องให้ลูกิษย์ไเอาเงินไปจากธนาคารไปซื้อของให้อยู่ดีคุณมาริสาครับ ถ้ากลัวตายแล้วต้องตกไปสู่อบายภูมิต้องอยู่ในระดับโสดาบันในชาตินี้ด้วยการละสังโยตสิทธิวิกิจกิจฉ า, า, า, า, าศิลปตาปรมาทิตย์ในชาตินี้ใช่ไหมเจ้าคะต้องอยู่ในระดับโสดาบันเพื่อไม่ให้ตกไปในอบายถ้าถ้าถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบาันนยังปิดประตูะบา่ายไม่ได้ คุณจ็กเกอร์ครับหากที่ทำงานมีน้องลาออกหลายครหลายคนยังไม่มีคนใหม่มาแทนเราควรวางใจอย่างไรหาคนใหม่เพื่อมาเรียนรู้งานหรือเอาคนที่มีรับงานไประหว่างรอคนใหม่หรือตัวเราเองควรขอเรียนรู้งานกับน้องครับแลนนี่ก็ไม่รู้แหละมันเรื่องของคนต้องเป็นตัดสินใจเอง <laughs> <laughs> คุณไลโคปีนครับต้องใช้ปัญญาสอนตัวเองอย่างไรถึงจะละมานะครับ ก็พิจารณาว่าร่างกายเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันก็เป็นธาตุสี่เป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็ได้มันไม่มีตัวตนเราไปหลงไปยึดไปติดมันว่าเป็นตัวเราของเรานั่นเองเองให้คิดว่าร่างกายเป็นทำมาจากดินดินมันจะมีความวิเศษตรงไหนดินก็ถกเข้าเหยี่ยเข้าย่ำอยู่ตลอดเวลาธาตุดินท่าน้าน้ำธาตุลมธาตุไฟ คุณสิงโตครับกับนัมรสาการพระอาจารย์ครับเมื่อจิตไปตั้งอยู่ในอารมณ์โกรธแล้วมีอาการหน่วงๆบริเวณกลางอกแต่เวลาจิตไม่มีโทสะแล้วทําไมอาการหน่วงๆที่กลางอกยังคงอยู่อีกสักพักครับไม่ทราบเหมือนกันนะอันนี้มันก็มันอาจจะเป็นผลที่ยังตกค้างอยู่ก็ได้นะไม่ใช่ว่ามันโกรธหมดแล้วบางทีอาการที่มันกระทบ ก, กับร่างกายมันยังอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึงวันหนึ่งหายก็ได้ แต่ก็ดูว่ามันถ้ามันหายก็หายช้าหายแล้วก็รู้ว่ามันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันเนันเองคุณสุกัญญาครับถ้าเราเคยทำผิดพลาดในอดีตแต่ชอบคิดถึงมันถือเป็นการสร้างอากุศลกรรมใหม่ไหมครับล้วควรทำอย่างไรดีให้ก้าวผ่านรู้สึกเหล่านั้นเช่นเคยทำผิดศีลขพอสามตอนวัยรุ่นสมัยไม่ได้ศึกษาเราื่องเวทกรรมครับก็เราเอา ความผิดของเรามามาเป็นบทเรียนสอนใจเราก็ได้ว่าเนี่ยเราทำผิดแล้วมันก็ทำให้เราไม่สบายใจต่อไปก็อย่าไปทำอีกทุกครั้งที่เราคิดถึงอดีตแล้วก็เอามาสอนใจเราแล้วถ้าเราไม่อยากจะคิดถึงมันเวลามันคิดเราก็ใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธลบมันออกไปก็ได้ทุกครั้งคิดถึงก็เรื่องอะไรต่างๆที่เราไม่อยากให้มันคิดเราก็ใช้ให้มันคิดพุทโธพุทโธแทนไปชักระยะหนึ่งความคิดเหล่านั้นก็จะหายไป คุณสุธีรัตน์ครับผมเป็นคนที่ถ้าป่วยเมื่อไหร่จะต้องกินยาหรือหาหมอให้เร็วที่สุดเพื่อให้หายเร็วที่สุดเช่นเป็นหวัดเจ็บคอเป็นไข้อะไรอื่นๆอยากถามพระอาจารย์ว่าผมกลัวการเจ็บป่วยจนเกินไปไหมครับและมันจะเป็นตัวขวางกั้นที่จะเป็นประโสะดาบานไหมครับหรือสิ่งที่ผมทํามันเป็นเรื่องปกติครับมันก็เป็นเรื่องของคนหนึ่งหนูคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็เลยต้องพยายามรักษาให้มันอยู่อย่างสุข อย่างสบายไม่ให้มันมีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันมันก็เห็ว่าบางทียไปวุ่นวายกับเรื่องร่างกายมันทำไม่มากมายมันไรถึงเวลามันจะเจ็บมันก็ต้องเจ็บแล้วบางทีโรคบางอย่างมันก็หายของมันเองได้อย่างด้านหนึ่งมันหายได้มันก็เป็นอนิจจังถ้าเป็นพระโสดาบันบางทีจะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยหนักอกหนักใจกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายหรือแม้แต่ความตายก็ไม่ไม่หนักอกหนักใจ พอพร้อมที่จะรับมันอยู่แล้วยินดีแล้วเพราะรู้ว่าใจไม่ได้เป็นร่างกายไปกลัวอะไรร่างกายมันเป็นมันเจ็บแต่ตัวร่างกายมันไม่กลัวแต่ตัวตัวที่กลัวกับไม่ใช่เป็นตัวที่เจ็บคือใจไปกลัวแทนร่างกายเองถ้าเราศึกษาปฏิบัติทำเจ ร, ริญปัญญาแล้วก็จะแยกแยกร่างกายออกจากใจได้ก็จะไม่ค่อยวิตกขังวลกับเรื่องความเป็นความตายของร่างกาย แตก่ก็ถ้ารักษาได้ก็รักษาไม่ได้ไม่ได้ห้ามอันนี้ถ้ามันอยู่ในภาะวะที่รักษาไม่ได้เช่นไปอยู่ในป่าเป็นเป็นไข่อยู่ในป่าอย่างนี้บางทีก็ต้องใช้ธรรมะโอสถใช้สมาธิใช้ปัญญารักษาใจให้สงบไม่ให้ไปทุกไปกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไปจ น, นกว่าจะมีโอกาสที่จะไปรักษาได้เมื่อออกจากป่ามาก็ไปรักษาได้ คุณมนฑนาครับตอนเรานอนหลับจิตกับความรู้ตัวมันไปอยู่ตรงไหนและต่างกับการที่เราสลบไหมครับเพราะการสลบเช่นตอนเราผ่าตัดเราไม่รู้สึกตัวเลยแล้วจิตกับความรู้ตัวเราไปอยู่ตรงไหนเพราะรู้สึกว่าตอนสลบมันลึกกว่าตอนหลับครับก็จิตมันไม่มีสติไปรับรู้เรื่องของร่างกายตอนนั้นเนี่ยจิตมันก็เลยไม่รู้ว่าอร่างกายมีความเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนหรือไม่ มันไม่ได้อยู่ตรงไหนเมื่ออยู่ที่เดิมเป็นการรับรูค้คือคือสติมันหยุดทํา ง, งานเชื่อครับ <c oughs> คุณสมพรครับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับที่ทําให้โยมเข้าใจถึงธรรมะมากยิ่งขึ้นธรรมะ ข, ของพระอาจารย์ทําให้เข้าไปในรอยหยักในการปฏิบัติได้อย่างเข้าใจทําให้ชีวิต <c oughs> มีความสุขสงบมากขึ้นแต่ก็เป็นเพียงขั้นพื้นฐานผิวเผินต้องปฏิบัติต่อไปเพราะยังเสษกรรมอยู่ครับเอ่า <c oughs> แต่ยังเสร็จการทางอื่นเฉพาะยิงย่งยังรับรู้รู้รสกลิ่นเสียงทางการมลคภิปต่างๆอยู่ครับอ๋ออันนี้เล่าให้ฟังครับอาจารย์ครับคุณมาริษาครับการเข้าฌานสมาบัติเป็นเวลาอย่างน้อยอย่างสี่สิบเก้าวันร่างกายใช้พลังงานจากไหนเจ้าครับอาจารย์เพิ่มเท่ามที่มีสะสมอยู่ในร่างกาย ไขมันต่างๆอะไรต่างๆมันก็มันก็ค่อย ๆ, ๆจะเอามาใช้ร่างกายก็จะพร้อมหนุนพ้อมหนุนเนื้อหนังเนื้อเอ็นเนี่ยก็เป็นที่สะสมหนุงพลังงานอยู่แล้วเม่อถามเราถามหมอมากคุณจะถามหมอ <laughs> แล้วค่เเราจะพูดไปตามภาษาของเราอาจจะผิดหรือถูกก็ไม่รู้คุณมาริครับ จิตหรือดวงจิตของเรามาจากไหนแล้วจะดับเมื่อไหร่ครับจิตเป็นเป็นธาตุรู้ที่ไม่มีวันเกิดไม่มีวันดับมันมีอยู่ของมันคู่กับคู่กับสิ่งธาตุอีกอีกข้าชนิดด้วยกันคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแล้วก็อวกาศธาตุแล้วก็จิตคือธาตุรู้เป็นหทธาตุด้วยกันที่เรียกมาหาธาตุเป็นธาตุที่ เป็นสิ่งที่สร้างสุขสิ่งทุกอย่างในในโลกนี้ขึ้นมาทั้งในโลกทิศทั้งในโลกโลกโธาตุนะพระอาทิตย์ดวงดาวอะไรต่างๆนี้ทํามาจากธาตุทั้งนั้นมีธาตุสี่ดินน้ําลมไฟผสมกันบ้างไม่ผสมกันบ้างอยู่ร่วมกันบ้างไม่อยู่ร่วมกันบ้างแต่มันมีอยู่ต้องเป็นธาตุทั้งนั้นนะคุณนราทิปบอกว่าตอนนี้มาปฏิบัติ บ, ตบนเขา ให้ควรทำปฏิบัติดูกายดูจิตเมื่อก่อนเป็นถัง่วงาร่วงหล่นหมดตอนนี้ถัง่วงาไม่ร่วงหล่นนี่ให้มีสติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆให้หายใจนิ่งสงบแล้วจะมีความสุขคุณเจตีครับในฐานะฆราวาสเราจะต้องคอยทบทวนศีลไหมครับว่าในแต่ละวันเราบกพ้องศีลข้อไหนบ้างทั้งในศีลห้าและศีลแปดครับ ทำยิงไม่ต้องทบทวนต้องคอยดูทุกทุกอิริยาบถจะดีกว่าทบทวนทุกอิริยาบถเราเราทำบาปหรือเปล่าเราจะทาบาปหรือเปล่าเราจะพูดปลดหรือเปล่าให้มีสติรู้อยู่ทุกทุกเวลานาทีไม่ใช่มั น, นง่าทบทวนตอนอย่็นแล้ววันนี้เราไปทําผิดศีลกี่ข้อบ้างอย่างนี้มันก็จะผิดอยู่เรื่อย เราต้องป้องกันไม่ให้มันผิดเลยเราก็ต้องมีสติอยู่ทุกครับทุกการกระทําทางกายท้งวาจาว่าผิดศีลหรือไม่พอจะไปพูดปดเราพยายจะพูดปดนี่ก็หยุดมันได้ถ้ามีสติรู้ทันแทมสีบอกว่าสมาธิเหมือนหินวางทับลงบนหญ้าคือทําให้กลียด เ, เบาบางลงได้ชั่วคราวใช่ไหมครับเช่นความต้องการทางเพศลดลงความอยากและความหลงต่างๆน้อยลงครับ ใช่แต่ยังไม่หมดเนีเพราะว่ารากของหญ้ามันยังไม่จะถอนขึ้นออกจากจากจากพื้นดิน mm hmm. เวลาเราเรยกหินออกจากหญ้าเดี๋ยวหญ้ามันได้น้ําได้ได้อากาศได้แดดมันก็จะงอกขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้กามหายไปหมดก็ต้องใช้ปัญญาที่จะถอนรากถอนโคนของของกามรากงอกของกามก็คือการเห็น การการไม่เห็นความสวยความไม่สวยงามของร่างกายไม่เห็นแต่ความสวยงามคิดว่าร่างกายสวยงามแต่พอดูจริงๆดูเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วดูอาการกต่างๆที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังก็จะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ไม่สวยไม่งามมันจ ะ, จะทำให้การมาราาะ ด, ดีหายไปหมดเลยอย่างท้าว อ, อนคุณณัฐพรครับ เวลาที่เรารู้ตัวว่าเศร้าโกรธเสียใจควรจะจัดการกับอารมณ์นั้นอย่างไรครับขั้องต้นถ้าเราไม่จะทํายัางไรก็ใช้สติพุโทธโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปเดี๋ยวอาการเศร้าโกรธก็จะหายไปถ้าอยากจะกาจัดมันอย่างท้าววังก็ต้องพิจารณาว่ามันเกิดจากความอยากของเราเวลาเราอยากได้อะไรนะเราไม่ได้เราก็จะเศร้าเราก็จะโกรธเราก็จะเสียใจถ้าไม่อยากจะเศร้าโกรธหรือเสียใจก็อย่าประหยาก ได้อะไรจากใครเราก็จะไม่เศร้าคุณเที่ยวไปเรื่อยครับลังเลว่าจะออกบวช ด, ดีหรือไม่กลัวว่าแก่แล้วจะไม่มีใครดูแลแต่พอคิดไปว่าจะดูแลหรือไม่ดูแลก็ต้องตายถ้าต้องตายก็ปล่อยมันไปมันไปคิดแบบนี้ถูกไหมครับเงาพาที่เขาบวชมาต้องเยอะแยะเขาจะอยู่งานตอนแก่ เ, เขาก็มีลุกศิษย์ลกหาดูแลเยอะแยะไปหมดืดครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์เป็นร้อย เป็นนะเป็นไม่สบายทีนี้โอ้คนมาเยี่ยมกันอีก <Yeah. S 1> แล้วให้มีศีลเถิดศีลนี่แหละจะเป็นตัวที่ดึงดูดความศรัทธาของคนที่เราอยากจะนับใช้ใครก็ ว, ว่าเราเห็นข้อเขาดีกับเราใช่ไหมเขามีศีลมีความที่สวยงามมีจริยธรรมความความประพฤติที่สวยงามเร า, า, า, ราก็เราก็เริ่อนสายศรัทธา เพราะเราขให้บวชแล้วเป็นพระที่ดีเถอแล้วนับประกันได้จะไม่ต้องกลัวเวลาแก่จะไม่มีใครดูแลคุณนําพึ่งครับพระอาจารย์คือถือศีลแปดที่วัดได้สมาทานหน้าพระสงฆ์กับสมาทานหน้าพระพุทธรูปถือศีลแปดที่บ้านได้บุญเท่ากันไหมครับการสมาทานยังไม่ได้บุญหรอกการสมาทานเป็นการตั้งเจตนาว่าเราจะรักษาศีลแปดท่านั้นเอง ได้เงก็ต่บเมื่อเรารักษามันินอุ่มแต้มสีครับตอนนี้พยายามฝึกกําหนดสติในเอรียาบดสีให้ได้ตลอดทั้งวันแต่ยังไม่ได้มากพอตามที่ตัวเองตั้งใจจะทําอย่างไรให้ตั้งใจฝึกให้ได้ตลอดทั้งวันคะตอนนี้ต้องอ่านหนังสือสอบเยอะด้วยต้องเพ่งต้องมีสมาธิกับมันเลยไม่ได้กําหนดสติช่วงอ่านหนังสือครับอก็ต้องหาเวลาที่เราไม่ต้องไปทํางานเนี่ย ช่วงไหนที่มีวันหยุดยาวเนี่ยเช่นหยุดสีวันนี้ลองไปหาที่ปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไม่ต้องไปทำอะไรนอกจากการจเจริญสติอย่างเดียวบังว่าเขาจะมีัดสถานที่ให้ไม่ต้องออกมาพบปัดออกใครให้อยู่ตามลาพังเขาเรียกว่าให้อยู่ก็ เ, เรียกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจบอกนิ้วกายไม่สังคมไม่คุกคียอกไปเขาจะส่งอาหารให้ขังตัวเราเองอยู่ในกุฏิตลอด ดันจะคมนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิแล้วบริเวณข้างๆกุฏิขไนไดอันนี้มันถึงจะได้สติอย่างต่อเนื่องคุณนัตยาครับการเป็นถามสวดมนต์ควรสวดบทไหนเป็นประจำครับแล้วแต่เราจะจะจะจ ะ, จะชอบอันนี้ไม่มีข้อกำหนด บ, บัางครับถ้าเราอยากจะสวดตามที่ทางวัดเขาทำกันเขาก็มี เขาเรว่ามีสูตรบทสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็เป็นเหมือนเป็นสูตรมาว่าต้องเริ่มต้นสตรสวดด้วยอะไรก็ไปซื้อหนังสือสวดมนต์มาแจ้งให้เห็นก็ได้ที่แล้วเขก็จะมีทำวัดเช้าทำวัดเย็นนการทำวัดก็คือการสวดมนต์เนี่ยสวด ต, ตั้งแต่ตั้งนโมขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีสวดบางบางบทที่อาจจะต่างกันสำหรับเช้ากับสำหรับเย็นแตส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันคือ นอนายาจะจงรักบทพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก่อนคุณสุรเทพครับผมกับภรรยาทำงานหาเงินด้วยการทุบปัดแต่เวลาทำบุญผมเป็นคนที่ตัดสินใจโอนไปที่วัดต่างๆกลับเดยนถามพระอาจารย์ว่าผมกับภรรยาได้บุญเท่ากันไหมครั บ, รรบก็อยู่ที่ว่าภรรยาเขาเขายินดีด้วยหรือปเปล่าหรือเารับทราบด้วยหรือเปล่าอันนี้ ถ้าเขาไม่รับเขาไม่รู้แล้วเขาอาจจะไม่ได้บุญก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้เขาได้บุญเพราะมันเป็นเงินของเขาด้วยก็ต้องขออนุญาตหรือบอกเ้าก่อนว่าจะเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญโอเคไหมท่านก็บอกโอเคอเขาก็จะได้บุญแต่ถ้าเขาไม่ยินดีว่าไม่อยากให้ไม่อยากที้เอาเงินไปทําบุญนะเราก็ต้องเอาส่วนของเราไปส่วนของเขาก็อย่าเอาไปดูจอยครับ หนูมีโรคร่างกายปวดทั่วสับพางกายหนูเข้าคอสไปเจอกรารณามิตรที่ชื่นชมการเนสัตชิกแต่หนูไม่ทำเพราะหนูเคยทำอาชีพแพทย์ตอนที่ร่างกายยังปกติรู้ดีว่าการอดหลับอดนอนเป็นอย่างไรเวลาใช้ทุนและเรียนต่อแพทย์ประจำบ้านซึ่งการอดนอนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกิเลดลงไม่อย่างนั้นคนในโรงพยาบาลที่อยู่เวรกันไม่ได้หลับนอนก็บรลุธรรมกันไปหมดทำโรงพยาบาลแล้วแต่กรารณามิตรที่หนูไปเข้าคอสด้วยเหมือนท่านคิดว่าหนูไม่เพียรไม่สู้ทั้งยังต้องการให้หนู ไปอยู่เสนาสนะป่าเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติทางนักที่แม่จะเดินตรงกลมในแค่นี้ครับก็มันอาจจะเป็นความคิดของเขาว่าถ้าอยากจะทําความเพยียรก็ต้องมีการปฏิบัติอะไรบางกรณีพิเศษเช่ชนในสัตว์ชิดนี้ตัวในสัตว์ชีก็เอมันไม่ได้เป็นฆ่ากิเลสเพียงแต่ว่ามันเป็นช่วยเสริมให้เราไปฆ่ากิเลสต่อด้วยการด้วยการปฏิบัติของเราเอง นี่ก็แล้วแต่เขานี่เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลไม่ได้บังคับกันการจะถือในสัจจิปุระไม้นี้เป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละท่านหรือการอดอาหารก็เช่นเดียวกันมันอยู่ที่ความพอใจการเดินจงกรมเป็นเวลาเนะีเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็เป็นเรื่องของความพอใจของแต่ละท่านในการปฏิบัติงั้นจะไปดึงคนอื่นมาปฏิบัติตามที่เราปฏิบัติก็ไม่คุนอาจจะเสนอได้แนะได้ว่าวิธีนี้ดีแนะได้ผลดี เขาจะทําให้ทําอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาคุณอุงุ่นเปรี้ยวครับพระสงฆ์เดินห้างหรือกินร้านอาหารได้ไหมครับไม่ควรนะบปเที่ยวโครจรพระสงฆ์ไม่ควรไปที่ที่มีผู้คนพลุกพลานตามห้างสรรพสินค้าหรืออะไรต่างๆร้านอาหารก็ไม่ควรไปนั่งรับประทานาในร้านอาหารโยเว้นการีเจ้าของร้านก็นิมนต์ไป ทำบนแล้วก็เขาก็เลีงที่ในร้านะาหแต่เขาว่าจะจัดที่เป็นเป็ น, ปนที่เป็นสัตว์เป็นส่วนไปไม่ให้ไปนั่งคุกกับเีกับคาราวานั่งโต๊ะติดกันอะไรนี้เขาไม่มีเขาว่าจะจัดที่ให้พระสงฆ์นั่งนั่งกับเพื่อนนั่งเป็นแถวสวดบุญก่อนแล้วค่อยค่อยถวายอาหารบุณเที่ยวไปเรื่อยครับอะไรคือกําไรชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ใช่การทำทานถือศีลภาวนาใช่ไหมครับใช่เพราะการทำทานศีลภาวนานี่มันเป็นสิทธิที่เราติดตัวไปกับเราได้หลังจากที่เราตายไปแล้วคุณวัสนาครับเรียนถามเรื่องกรรมราคะครับผมรักษาศีลแปดมาตั้งแต่เข้าพรรษายังสุขใจพอใจดีอยู่ครับรักษาพรหมจรรย์ไม่ทำตามอารมเพศนอนมากจะมีฝันถึงเรื่องเพศแต่จะรีบตื่นไม่ยอมปล่อยให้เลยเถิด ตื่นเช้าบางวันจะมีการตื่นตัวแต่ไม่บ่อยครับนานๆมีมาแบบนี้คือยังมีกามอยู่ไหมครับน้องกาลขอความเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะการตัดกามให้สิ้นด้วยครับทุกครั้งที่มันมีอารมณ์กามอารมณ์ขึ้นมาก็ให้มานพิจารณาสุภาพดูส่วนไม่สวยงามของร่างกายไปอย่อา้แต่สุภาพมันก็จะคุมไม่ให้กามอารมณ์เกิดขึ้นได้คุณจมานครับ การพิจารณากายควรเริ่มพิจารณาอย่างไรครับก็พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายก่อนแนะ่พยาล่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไป ไ, ได้ให้พิจารณาจนกว่าใจเราจะยอมรับมันและไม่ไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายถ้ายังกลัวอยู่ก็ทั้งเขต้องพิจารณาต่อไปต้องคอยกล่อมใจสอนใจให้มันยอมรับให้ได้ เราก็จะเห็นว่าถ้ามันไม่ยอมนำมันก็จะทำให้ใจทุกข์ถ้ายอมน้ำแล้วใจก็จะหายทุกข์ยาวยางไงดีจะทุกข์หรืออาไม่ทุกข์ถ้าไม่ทุกข์ก็ต้องยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายคุณมาลีรัตครับกลับเรียนถามพระอาจารย์โยมชอบใส่แต่เด็กพอโตอยากถือศีลปฏิบัติธรรมเหมือนมีศีลอยู่กับตัวแต่เด็กเกิดแต่เหตุใดคาแลวจะทาต่อไปไม่เบื่อเจ้าค่ะ ชอบใส่อะไรไหย<ม>ชอบนะต้องใส่ต่เด็กพอโตโอยากถือศีลพ<ม>อโตโอถึงศีลปฏิบัติทำเมือนไม่ศีลอยู่กับตัวแต่เด็ ก, กแต่เหตุใดคนะน่ะการทำต่อไปเมื่อคือคนบางคนมีของรางนิสติดตัวมาเคยรักษาศีลชาติก่อนมาพอมาถึงชาตินี้ก็มีนิสัยที่อยากจะรักษาศีลต่อไป เคยทบุญทาทานมาก็จะติดเป็นนิสัยมาเช่นเดียวกับการทำบาปบางคนก็ติดนิสัยการทำบาปมาก็จะมาทำบาปต่อคุณพิจัษนาครับคุณแม่หกสิบหกปีอยากนั่งสมาธิแด้นานานๆจึงฝืนนั่งไปเรื่อยๆแม้จะเจ็บเข่ามากหลังจากวันนั้นท่านเจ็บเข่าเป็นสัปดาห์อยากทราบว่าที่เหมาะสมควรทำอย่างไรครับ ก็ไม่ควรที่เจะนนั่งใจกระตั้งไปทําให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ต้องรู้ขอบเขตของความสามารถของร่างกายว่าทําได้เท่าไหร่คุณสุกัญญาครับตอนเรานั่งสมาธิเราสามารถเกินน้ําลายได้ไหมคะเวลาเกินแล้วได้ยินเสียงจะรู้ ต, ตัวตลอดกลัวว่าจะทําให้ถูกครับถ้าเกินมันก็จะทําให้เราเสียสมาธิเราก็จะคอยเกิน อ, อยู่เรื่อยๆแล้วก็ใจเราก็เลยไม่ได้อยู่กับการทําใจให้สงบ มาอยู่กับการคอยกลืนน้ำลายอยู่ น, นเลยเมื่อเวลานั่งสมาธิเราต้องการปล่อยวางร่างกายไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันมันจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ยุ่งจะกัดจะคันตรงนั้นจะคันตรงนี้ต้องปล่อยหมดอย่าไปอย่าไปทําอะไรอย่าไปยุ่งกับมันให้เราอยู่กับการภาวนาของพุโทโธเรื่องดูลงหายใจไปใจถึงจะเข้าสู่ควาสมสงบได้ถ้าไม่เช่นนั้นถ้ามันยุ่งเกี่ยวกับร่างกายก็จะไปไม่ถึงไหน คุณประโยกน์ครับก่อนที่ลูกยังไม่เคยฝึกนั่งสมาธิจะมองไม่เห็นว่ามีเหตุจึงเกิดผลพอนั่งสมาธิกลับมองเห็นทิ้งทั้งๆที่บางทีเหตุเดิมที่เคยเกิดนั้นจะเข้ามาเป็นบททดสอบเดิมแต่ครั้งนี้ทําอะไรไม่ได้สมาธิทําให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับเมื่หรอสมาธิเป็นเพลงจะสนับสนุนให้เราใช้ปัญญาในการทําลายกิเลสได้ทั้งในถ้าไม่มีสมาธิใจเราจะไม่มีกําลัง ที่ถ้าปัญญาบอกว่าอ่าตัวที่ทําให้เราทุกข์คือกิเลสแต่เราก็จะไม่มีกําลังที่จะไปหยุดกิเลสได้อแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะมีกําลังพอปัญญาบอกว่านี่คือกิเลสอย่าไปอย่าไปทําตามมันนะะเราก็หยุดได้ทันทีคุณใบยกครับสมาธิตอนนั่งจนถึงสภาวะที่รู้เฉยๆพอออกมาสิ่งนี้ช่วยได้มากๆเลยเจ้าคะ่ะอืม ตนนี้คำถามน้อยนะครับพระอาจารย์สงสัยไปเข้าดาวกันหมดครับ <g ül> ตอนนี้มีดูอยู่พันกว่าคนพันมากาคนเหมือนกันครับ <c oughs> แต่แต่ยอดไม่ถึงปกติครับพระอาจารย์ครับคุณแต้มสีครับถ้าเราไปงานทำบุญตักบาตรแต่พระมาขอค่ารักษาพยาบาลจากเราเป็นเรื่องที่ทำได้ไหมคะดิฉันถาวายเงินไปเล็กน้อยโดยที่ไม่คิดอะไร แต่ที่ถามพระอาจารย์เผื่อว่าแก่ตัวไปบวชชีแล้วไม่มีเงินรักษาตัวเองจะได้รู้ว่าควรทําหรือไม่ควรทําครับคือถ้าเป็นพระนี่ท่านห้ามไม่ให้ขอของจากคนที่เขาไม่เป็นญาติเรือคนที่เขาไม่ได้ปวานาตัวไว้ล่วงหน้าก่อนขอไม่ได้ไม่ว่าจะขออะไรก็ตามขอไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกล่วงหน้าไว้ก่อนว่าถ้าท่านต้องการอะไรบอกบอกกับผมหรือบอกกับดิฉันได้ อันนี้เราก็บอกเขาได้หรือถ้าเขาเป็นญาติพี่น้องนี้บอกได้แต่ถ้าเป็นคนที่แปลกหน้าหรือไม่แปลกหน้าก็ดีญาติเดียวนี้มาทําบุญวัดเป็นประจำถ้าเขาไม่ภาวนาตัวก็บอกเขาขอจากเขาไม่ได้ต้องก็ปภาวนาตัวก่อนนะถ้าท่านต้องการอะไรขาดหรืออะไรบางคนเขาก็มีบางปภาวนาบางอย่างบางทีอย่างเดียวท่านจีวรขาดจีวรบอกดิฉันได้อะไรอย่างนี้ก็มี หรือบางทีมีกรอบเวลาด้วยว่าในระยะสามเดือนนี้ช่วงเก้าพรรษานี้ถ้าท่านต้องการอะไรก็บอกได้ก็ต้องเป็นไปตามที่เขากําหนดไว้พอพ้นกรอบเวลาของเขาแล้วก็ไปขอเขาไม่ได้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับผมฟังเทศพระอาจารย์กลายเป็นว่าปีใหม่แทนที่จะไปดื่มกินเที่ยวฉลองปีใหม่กลายเป็นว่ารัก ความสงบไม่ไปไหนกลายเป็นคนประหลาดในครอบครัวผมมาถูกทางแล้วใช่ไหมครับถูกนะครถ้าเราประหลาดจากคนอื่นทั่วไแสดงว่าเราไปถูกทางแล้ว <laughs> คุณสติครับชอบพิจารณาร่างกายให้ตายแล้วแตกสลายไปเป็นท่าทั้งสี่ทำ บ, บ่อยๆเข้าใจเบาสบายก็รู้สึกขึ้นมาว่าก้อนกายนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าที่รู้สึกนั้น เป็นปัญญาที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่สัญญาปรุงแต่งครับเมื่อเวลาที่ใกล้จะตายเนี่ยเวลาที่เราไปเจอเหตุการณ์ที่อาจจะเสี่ยงต่อความเป็นความตายขึ้นมาเราก็จะถ้าเราพิจารณาเห็นว่ามันเป็นธานเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะเฉยๆแต่ถ้ายังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นสัญญาตอนพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นแต่พอเจอของจริงเจอเหตุการณ์จริง ปัญญาหายไปหมดสัญญาที่จำจำได้ลืมไปหมดเลยความความคิดที่เคยคิดหายไปหมดอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสัญญาไปถ้าเปปัญญามันก็ต้องเห็นเหมือนกับตอนที่เราไม่ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นธาตุสี่จะต้องสลายกลับคืนสูธธ่ธาตุทั้งสี่เราก็เฉยได้ไม่รู้สึกความวิตกกังวลหวาดกลัวรู้ทุกข์กับมันอย่างนี้ต้องต้องไปหาห า, หาสนามสอบดูแทนไปอยู่ในที่น่ากลัว เช่นในป่าในเขาตามลําพังที่มีอาจจะมีศินสารสัตว์ที่อาจจะมาทำลายเราได้แัน้นดูที่ว่าเราจะใช้ปัญญาที่เราพิพพจารณาว่ า, ามันเป็นเพียงธาตุได้หรือไม่อย่างนี้รวมถึงธาตุสี่ของคนอื่นด้วยไหมครับอาจารย์คนที่เราทุกคนเหมือนกันหมดทุกคนคนะพระเจ้าบอกให้พิจารณาทั้งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น ถาราพิจารณาร่างกายของเราเราอาจจะคิดว่าเราตายคนเดียวคนอื่นเขไม่ตายต้องพิจารณาทั้งเขาทั้งเราไม่ว่าใครไม่มีข้อยกเว้นตายหมดไม่ว่าจะรวยจะจนจะใหญ่จะเล็กตายหมดคุณวิไรลรักครับกลาบพระอาจารย์ตามฟังและเคยไปใส่บาตรมีคําถามว่าทําอย่างไรถึงจะเลิกเอาความสุขของของเราไปขึ้นกับคนอื่นได้ครับขอแนวทางปฏิบัติครับ ก็มานั่งสมาธิเรานั่งสมาธิเราก็จะได้ความสุขจากตัวเราเองเราก็ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นคุณอู๊ดครับขณะนั่งสมาธิบางครั้งจิตจะเข้าผวังคือไม่รู้สึกตัวหลับแต่บางวันก็ไม่เข้าผวังรู้ตัวตลอดแบบไหนคือวิธีที่ถูกต้องครับไม่ถูกทั้งสองวิธีนะถ้าเข้าผวังแล้วหลับมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถูก ต้เข้าผวางแบบไม่รู้ความรู้สึกตัวตลอดเวลาถึงนี้ถูกมีผวางแต่จเห็นแต่จิตมีความรู้ว่าตอนนี้จิตสงบนิ่งเย็นสบายอย่างนี้ถึงนี้ถูกแต่ถ้าเข้าผวางแล้วไม่รู้ว่าอะไเกิดขึ้นท้ายไปไหนหมดแสดงว่าหล่ะก็ไม่ดีไม่เข้าผวางก็ไม่ดีไม่เข้าผวางก็ยังแสดงว่ายังยังใจยังไม่สงบนั่นเองคุณบุญญรัตน์ครับการที่เราถวายข้าวพระพุทธ ถือว่าเป็นศีลปะศีลประามาศหรือไม่ครับมันเป็นความความเข้าใจผิดเป็นการบูชาที่พระเจ้าไมีสอนให้บูชายาสอนให้บูชาด้วยอมิสบูชาปฏิบัติบูบชาอมิสบูชาก็ถอยอา ห, หารแต่ต้องถอยให้กับพ่อสงฆ์องค์เจ้าถอยกับคนที่กินข้าวได้ไม่ใช่เาข้าไปถอยพระผู้ชราที่กินข้าวไม่ได้เอาไปถอยทำไมท่านกินไม่ได้ เราเรียกว่าเป็นสีลับพระตะัดหรือไม่อาจจะไม่ใช่ก็ไนดนะ้เพราะว่าเราทําด้วยความเคารพเรื่องสายจัตตาที่อยากจะแสดงความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นีก็ไม่ถือว่าเป็นศีลับพระตัดพลามาคุณดาราครับปีชงมีจริงไหมครับน้องตั้งแต่บวชมาเรายังไม่รู้ว่าปีชงเป็นยังไง <c oughs> ถ้ามันจริงมันกต็ต้องรู้กันทุกคนแล้วใช่ไหมเพราะถ้ามันเป็นของจริง คุณนัตยาครับการขอขมากรรมเราควรทําไหมครับก็แล้วแต่ว่าเราขอขมากรรมเพื่ออะไรถ้าเกิดเราไปทําอะไรคนหนึ่งเขาเสียใจเราไปขอขอขมาเขาว่าไม่กระทําสิ่งที่ไม่ดีขอให้ได้โปรดอภัยให้กับข้าพเจ้าด้วยอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะทำํำแต่ทําแล้วเขาจะให้อภัยหรือไม่นี้เราก็อย่าไปหวังบางนี้ก็ยังกดเราอยู่ก็ได้ เราก็อย่างนั้นเราสแสดงเจตนาของเราว่าเราเสียใจจะพยายามไม่ทําอีกต่อไปแล้วก็ทําได้แค่นี้ถ้าเขาจะสงสานเราให้อภัยเราหรือไม่นั่นก็อยู่ที่ตัวเขาคุณวันธนาครับการถือศีลแปดทำที่บ้านได้ไหมครับรถือไม่ต้องถือถือที่กายวาจาใจทนะ่านถือที่กายวาจาใจจะอยู่ที่ไหนก็กถือว่าได้ถือศีลถือเหมือนกัน คุณอภิชาติครับเวลาผมนั่งสมาธิช่วงใกล้ๆเข้าสมาธิลึกๆจะมีอาการคล้ายจะวูบต้องหยุดทําสมาธิกลัววูบผมสมควรทําสมาธิต่อหรือหยุดครับผมมีโรคหัวใจประจําตัวครับก็ไม่น่าอาการวูบ ก, ก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นภัยแต่อย่างใดถ้ามันวูบแล้วเข้าสู่ความสงบก็ก็ดีแต่ถ้าวูบแล้วหลับมันก็มันก็ไม่ได้ประโยชน์ใดมันก็มีวูบอยู่สองแบบด้วยกันไม่ต้องกลัวมันไม่มีผลเสียหายต่อร่างกายของเรา คุณไปยกคอมเมนต์นะครับการนั่งสมาธิทําให้จิตใจลูกที่เคยับเบาบางลงมากเจ้าค่ะคุณชัยรับครับนั่งสมาธิที่บ้านทําทุกวันแต่รอบข้างเสียงรบกวนอยากทราบว่าถ้าใส่หูฟังแล้วเปิดฟังเสียงเช่นเสียงดนตรีที่เป็นคลื่นเสียงจะได้ไหมครับขอพระแม่ตาพอาจารย์ครับก็ใส่หูฟังได้แต่อยาไป ม, มีเสียงดีกว่านั้นต้องการความเงียบ มากกว่างั้นนั่งสมาธินี้อย่าไปได้ยินเสียงอะไรเลยจะดีงั้จะเป็นเสียงเพลงหรือเสียงอะไรก็ตามอย่าไปอาศัยเสียงแต่ต่างมาเป็นเครื่องกล่อมใจเราสายการไม่มีเสียงดีกว่าถ้าเสียงรอบข้างมันดังมันรบกวานาก็หาที่อยู่ทูบแล้วใส่ไปก็ะจะได้ลดเสียงให้มันเบาจากนกระทั่งอาจจะไม่ได้ยินจะได้ไม่มารบกวนการทําสมาธิของเรา คุณกิติมาครับคําว่าอภัยทานและอโหสิกรรมมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับการอภัยการให้อภัยก็คือเราเป็นผู้ให้อภัยเวลาใครเขาทําให้เราโกรธทําให้เราเสียหายหเราให้อภัยเขาส่วนการขออโหสิกรรมเราไปขอโทษเขาเนียขอให้เขาปวดยกโทษให้กับเราด้วยในสิ่งที่เราทําผิดพลาดไป คุณจอมานครับคนที่รักษาศีลแปดไหว้คนที่รักษาศีลห้ า, รา 5, หรือคนที่ไม่มีศีลได้หรือไม่ครับได้การวหวจะไหว้ใครก็ได้ทั้งนั้นนะคุณทิดาครับรายงานพระอาจารย์คานหนึ่งปีที่ผ่านมานี้ฟังพระอาจารย์แล้วใจสงบล่มเย็นนิ่งสบายใจมากๆเลยครับจะจดีใจด้วยที่เกิดผลเกิดประโยชน์กับท่านผู้ฟัง คุณอธิษฐานครับศีลห้าของพระโสดาบันกับศีลห้าของพระอาหารหันต์แตกต่างกันอย่างไรครับไม่ต่างกันก็เหมือนกันพระพระพระอริยทุกโลกนี้จะไม่ทําบาปไม่จะรักษาศี่ห้าเป็นพื้นฐานทัองหมคุณบุญกูครับการนั่งสมาธิถ้ายังไม่ถึงญาณถือว่ายังไม่ได้บุญใช่ไหมครับ อนทีม่มานั่งไม่ได้ให้ไปถึงญาตแต่ให้มันถึงฌานนั่งสมาธิเพื่อให้ใจสงบต้องเข้าฌานถึงจะสงบถึงจะได้บุญแต่ก็ได้บุญนัน้ที่เกิดจากการทําความเพียรบุญมีหลายอย่างเวลานั่งสมาธิไม่ใช่แต่เฉพาะบุญที่เกิดจากความสงบบุญที่เกิดจากการทําความเพียรก็สําคัญเพราะถ้าเราไม่ทําความเพียรเราก็จะไม่ได้ผลอยู่ดียัง ม, มีบุญไหนอย่างด้วยกันบุญที่เกิดจากการ ทำความเพียรนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลที่เกิดจากการทำใจให้สงบได้คุณสุกัญญาครับคนที่เคยปาราชิกพอออกมาเป็นคราวาดยังสามารถบรรลุธรรมได้ไหมครับเช่นสดาบันถ้าปฏิบัติจรังครับก็ยากนหละเพราะว่าถ้าเคยทำอย่างนี้มาก่อนแล้วมันจะมันกระดจะมายูเทิร์นนีมันมันไม่ใช่ของง่ายแตก็ไม่มีข้อห้ามมันไม่มีข้อห้ามเพียงแต่ว่า เขาเห็นว่าถ้าอยู่ไปในในในร่มผ้าเหลียงมันก็จะทำให้ผ้าเหลียงหมนมองไปเสียบปากก็ออกมาเป็นคาราว่าสแล้วกันแล้วถ้ากลับตัวกลับใจได้ปฏิบัติจริงจังได้ก็อาจจะบรรลุได้คุณอุ้ครับกับเรียนถามพี่ชายนั่งสมาธิล่าสุดมีรอยนิ้วมือขึ้นที่ด้านหลังบริเวณไหล่ข้างซ้ายแบบนี้เป็นของเจ้ากรรมในเวรมารับบุญใช่ไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะ อาจจะเป็นเรื่องของร่างกายก็ได้อาจจะต้องไปถามหมอผิวหนังดูว่าเป็นปออะไรเกิดขึ้นเราไม่ใช่เป็นผลที่เกิดจากสมาธิกับทุกคนอาจจะเกิดกับชาวมองคนและอาจจะไม่เกิดจากการนั่งสมาธิก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นจังหวะบอลนั่งสมาธิขึ้นมามันเกิดขึ้นมาก็ได้เนี่นก็ต้องใช้การวิเคราะห์ต้องไปถามหมอหมอทางโลกผิวหนังก็ดูคุณ GTO ครับ ตั้งแต่พ่อแม่เสียไปรู้สึกเคว้งคว้างไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวแล้วเราต้องใช้ชีวิตต่อไปเพื่ออะไรครับก็เพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่เรายังมีอยู่ให้มันหมดไปจากใจยุติการเวีนวายตายเกิดเราจะได้ไม่กลับมาต้องเสียพ่อเสียแม่อีกต่อไปคุณรุ่งทิวาครับ เรียนถามผูาอาารย์เจ้าค่ะลูกจะนั่งสมาธิทุกวันแต่ได้ประมาณ45นาทีแล้วจะออกจากสมาธิอันนี้ลูกไม่มีสติใช่ไหมคะคือนั่งไม่ถึงชั่วโมงครับก็มีสติแค่ 45, 45, 45นาทีถ้าอยากจะนั่งต่อก็เราต้องเพิ่มสติขึ้นมาใหม่พออยากจะพออยากจะออกแล้วก็พุโทโธพุโทโธเติมเเข้าไปเลยเหมือนเติมน้ำมันมนสบายนี้รถเข้าชาร์จไฟฟ้ามทีชาร์จได้แค่รกิโลใช่ไหม ว่าตีไม่อลอดปีโลไฟฟ้าหมดมันไม่ต่อไปไม่ได้ก็ต้องไปชาร์จไฟก่อนเติมไฟฟ้าก่อนอันนี้ก็เหมือนกันสติก็เหมือนไฟฟ้าที่จะปลับ น, นั้นให้เรานั่งสมาธิได้นานขึ้นพอสติหมดเราก็ต้องชาร์จสติใหม่ก็ต้องพุโทโธพุทธโธพุทธโธใหม่เราก็จะนั่งต่อไปได้คุณอมนญาครับบางคนเขาเชื่อว่าตักบาตรใส่เงินแทนอาหารพระจะได้ใช้เงินอธิบายยังไงให้เขาเข้าใจครับ ก็หมอพระเขาไม่ให้ใช้เงินทองพระคืนใช้ได้แต่ต้องต้องเอาเงินทองฝากไว้กับคนลูกศิษย์ไม่ให้กับพระโดยตรงในเวลาพระต้องการอะไรที่ไม่ได้จากบิณฑบาตก็อาจจะเอาเงินทองที่ญาตโยมถวายนี้ไปซื้อแทนนะเช่นบางครั้ ง, งขาดยาหรือขาดอาหารเสริมบางชนิดเะไรทำนองนี้ที่ไม่ได้จากบิณฑบาตก็อาจจะสั่งให้ลูกศิษย์ไปซื้อมาได้ถ้ามีเงินที่ ญาติโยมถวายฝากกับลูกศิษย์เอาไว้คุณสุนัน d าครับพระบินทบาทเช้าขณะกลับวัดแวะเข้าเซเว่นซื้อบัตรเติมเงินโทรศัพท์ผิดศีลไหมครับมันย่อมไม่มันก็ผิดตรงที่ว่าพระไม่ให้ใช้เงินไม่ให้ถือเงินครอบครองเงินไม่ให้ใช้เงินซื้อข้าวซื้อของด้วยตนเองต้องให้ลูกศิษย์เป็นคนจัดการให้ เพราะไม่สวยงามที่พระจะเข้าไปทำอะไรเหมอนกับคาราวาการใช้เงินทองซื้อค้าซื้อของนี่มันเป็นเรื่องมิตสัยของคารวาสพาะรามควรจะเป็นคนมากน้อยสันโดยยินดีตามมีนดีตามค่คุณสิงโตครับที่ว่าพระโสดาบันท่านสามารถสัมผัสอารมณ์ของพระธิดาได้ผมขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยขายายความเพิ่มเติมให้คลายความสงสัยครับก็คือเวลาที่ใจ ทุกแล้วสามารถดับความทุกใจได้มันก็มันก็เป็นเหมือนพระนิพพานในระดับของพระโสดาวันพระนิพพานก็คือการดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจให้หมดไปเพียงแต่ว่าพระโสดาบันดับได้เพียงแต่ความทุกข์ที่เกิดจากสามยชนสามข้อแรกเทนั้นเองยังมีความทุกข์ที่เกิดจากสาโยอดอีกเจ็ดข้อที่ยังไม่ได้ไม่ได้ละแต่มันก็มันก็จะเกิดความรู้สึกคล้ายๆกันเวลาทุกข์ดับ มันจากมักับการอาหารจากโรคภายไข้เจ็บเป็นอาหารจากไข้เราจะรู้สึกว่ามันดีใช่ไหมเป็นไข้ยอยู่แล้วอยู่ดีดพอไข้าหายไปอาการเจ็บปวดทั่วร่างกายหายไปมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนะคุณวัสดุครับวิธีพิจารณาร่างกายให้เป็นธาตุสีที่แตกสลายไปควรเริ่มต้นฝึกอย่างไรครับการดูสิว่าร่างกายเริร่มต้นได้มันมาจากอะไรมันก็มาจากธาตุสี ธาตุของพ่อธาตุของแม่มาผสมกันแล้วก็เติมด้วยธาตุของแม่ที่อยู่ในท้องจดกกระตั้าางมีอาการครบสามสิบสองก็ข้อออกมาพอขรอออกมาก็เติมธาตุต่อธาตุลงหายใจเข้าไปธาตุน้ำดื่มเข้าไปธาตุดิ่มก็กินเข้าไปธาตุไฟก็ได้จากแสงจากความร้อนของดวงอาทิตย์นี่มันก็เป็นเรื่องของธาตุแล้วอยู่ไปนานๆรับพอวันตายมาธาตุทั้งสี่มันก็แยกออกจากกัน น่างกายก็หายไปเ <c oughs> หลือแต่ท่า น, ท, านท่านดินคือเบื้องต้นท่านท่านลมออกไปก่อ น, น, านงานด้วยท่านไฟแล้วมาตามด้วยท่านน้ําก็เหลือแต่ท่านดินที่ตกค้างอยู่ท่านดินก็จะผุพังอวัยวะแห้งกรอบผุพังไปกลายเป็นดินไป <c oughs> คุณมะลีครับถ้าเราไม่อยากเข้าสังคมหรือไม่อยากมีเพื่อนเพราะเรารู้ว่าการที่ทําแบบนี้นั้นจะทําให้เรามีความทุกข์ได้ผิดไหมครับคือเราอยากเรื่องอะไรที่เลี่ยงอะไรที่ทําให้เป็นทุกข์ปกติไหมครับไม่ผิดหรอกมันเป็นปกติไปแล้วคนเราก็ไม่มีใครอยากจะทุกข์กันถ้ารู้ว่าสาเหตุของทุกข์เราไปเป็นพ่อเราไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เราก็ตัดได้ก็ตัดไป <c oughs> คุณเที่ยวไปเลื่อยบอกว่าอ่านหนังสือหลวงประวัติหลวงปู่เทศมีลูกศิษย์ถามว่าก่อนตายรลึกพุทโธจะได้ไปสวรรค์ไหมหลวง ป, ปู่ตอบว่าคุณไม่เคยทําจะทําได้เหรอซึ่งตรงกับพระอาจารย์เคยเทศว่าต้องทําแต่เนื่นๆไม่ใช่มาทําตอนใกล้ตายขอบคุณครับใช่ของนี้มันต้องฝึกฝนอบรมไม่ใช่อยู่ดีๆจะทําขึ้นมาเองได้อยากจะวิ่งมาละทอนในี่ไปวิ่งกวนที่เขาแข็งอะไรได้ไหมไม่ได้หรอกไม่มีแรงอ่อ แต่ถ้าเราฝึกวิ่งมาเรื่อยๆจากกิโล<ม>เป็นสองกิโลเป็นเพิ่มมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้เองคุณสมรศรีครับทําไมคนดังเช่นดาราดังสมัยนี้มักฆ่าตัวตายแล้วคนสมัยใหม่มักทําเช่นกันบุคคลที่ฆ่าตัวตายเพราะเขาไม่อยากอยู่แล้วบาปมากเพียงใดครับ <c oughs> ความอยากจะฆ่าตัวตายเพราะเขาทุกข์มาก แล้วก็ไม่รู้จักวิธีดับความทุกข์ของเขาเพราะเราคิดว่าการฆ่าตัวตายเป็นการดับความทุกข์ซึ่งไม่เป็นการไม่เลิเป็นการดับความทุกข์แต่อย่างไรเพราะต้นเหตุของความทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่ร่างกายต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ความอยากเพออยากแล้วไม่ได้จังใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาคุณน า, นาครับ ศีลปตะปรมาตรหมายถึงอะไรคาหนูหาคํออธิบายอ่านแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจครับก็มีหลายหลายความหมายในกันคือศีลปฏดนะคือไม่เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากการกระทำบาปไม่รักษาศีลเวลาทุกข์ใจแทนแทนที่จะไปวิเคราะห์ว่าเกิดจากการที่เราไปพูดปดการที่เราไปประพฤติผิดประเพณีหรือ อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็ไปทําพิธีกรรมเพื่อจะทําให้ความทุกข์เราหายไปมันก็ไม่หาย ห, ายหรอกดังั้วิธีที่จะถูกต้องต้องต้องรู้ก่อนว่าความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรมันก็มีอยู่สองเหตุด้วยการความจริงทุกเกิดจากความอยากอย่างหนึ่งแล้วทุกเกิดจากการกระทาบาปอีกอย่างหนึ่งการไปทําพิธีต่างๆเพื่อให้จ้าเราหายทุกข์มันไม่หาย ห, ายหรอกเช่นเศรษฐกิจเรากําลังย่ำแย่ บริษัทกำลังจะล้มละลายก็คิดว่าไปหาทำวิธีกรรมอย่างเงินสะดาะเคราะอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจมันหายไปหรอกถ้ามันดีขึ้นหรอบริษัทดีขึ้นมันไม่เกี่ยวกันแต่วางทีทําแล้วก็เกิดความสบายใจขึ้นมาความทุกข์ใจที่คิดว่าบริษัทจะล้มจมก็อาจจะหายไปชั่วข่าวว่าเออเราได้ทำแล้วนะเดี๋ยวบริษัทเราก็จะกลับคืนมาดีขึ้นเองอย่างนี้ น, นี่เรียกว่าศีลพัตนาปรามา คุณสมพรครับโยมรู้สึกว่าที่ผ่านมายมไปพึ่งคนอื่นมากทําให้ตัวเองมีความสุขมองย้อนสองตัวเองดูน่าละอายใจตัวเองเหลือเกินเหมือนตัวเองยังไม่ได้ยังไม่โ ต, ย, ตยังไปพึ่งคนอื่นจึงจะมีความสุขอย่างนี้แสดงว่าโยมยังไม่ได้อัดตาหิอัดตนานาโถเต็มร้อใช่ไหมครับโยมคล้ายๆติดเพื่อนแต่เพื่อนไม่ได้ติดโยมดูเพื่อนมีวุฒิภาวะดีกว่าโยมต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรดีครับก็พยายามหาความสุขในตัวเราเอง ความสุขที่เกิดจากการทำมุญทำทานรักษาสิ่ภาวนาเนี่ยเป็นความสุขที่เรียกว่าอาตาัตไธยอัตโน น, นาโทไม่ต้องพึ่งคนอื่น <c oughs> คุณแพทย์ครับ <c oughs> ช่วงนี้นั่งสมาธิทีไรเข้าพวังแบบไม่รู้ตัวเกือบทุกทีทั้งที่นอนเพียงพอแก้ไขยอย่างไรดีครับควรเปลี่ยนจากท่องพุทโธมาดูลมแทนจะดีไหมครับกลองดู คนหนึ่งานจะคิดว่าเพราะเรากินอาหารมากเกินไปมันก็ง่วงนอนให้พยายามลดการกินอาหารให้มันกินแบบให้ท้องมันไม่อิ่มให้มันรู้สึกว่ามันไม่หิวแล้วก็หยุดกินเลยหรือถ้าเป็นไปได้ก็อดมื้อเย็นไปเลยก็ได้นั่มื้อหนึ่งการภาวนาที่ส่วนใหญ่เขาจะถือศีลแปดกันคุณเตชินีครับ บอกว่าฟังธรรมะก่อนนอนข้ามปีครอบครัวรักษาศีลห้าเป็นพื้นฐานครับสาธุพระเจ้าคุณวันธนาครับถ้าเราสามารถนำคนอื่นให้เข้าถึงธรรมมากขึ้นเป็นกุศลกับเราไหมครับก็มันก็ไม่ได้เป็นกุศลมากมายนะเพราะเราเราได้กุศลจากการเข้าถึงธรรมแล้วแต่เป็นการทำทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นอาที่พระเจ้าได้ทรงกับทําเนี่ย พระเจ้าทำประโยชน์สอนพวกเราให้เข้าหาธรรมพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้อะไรจากการกระทํำเหล่านี้เลยพเพราะใจท่านเต็มแล้วถ้าเป็นน้ํำก็น้ําก็เต็มแก้วแล้วถึงแม้จะไปทําอะไรก็ไม่สามารถเพิ่มให้น้ํามันมากไปกว่าน้ําที่มีอยู่ในแก้วนั้นได้แต่ท่านก็ทําด้วยความเมตตาด้วยความสงสารแต่ท่านไม่ได้รับประโยชน์จากการกระทําของท่านท่านเพราะประโยชน์สุขของท่านท่านได้เต็มร้อยแล้ว จะทำหรือไม่ทําท่านก็ได้ประโยชน์สุขเต็มน้อยเท่าเดิมแต่ท่านทําเพราะว่าเห็นว่าเกิดประโยชน์กับผู้อื่นที่พระเจ้าทรงต่ัสว่าในปชิมโมว่าท่านบอกสังขารนะทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงจงจงรีบทําประโยชน์ของตนได้ของผู้ได้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดูตัวแรกทําประโยชน์ให้กับตนก่นเลี้ยงน้ำของแก้วของเราให้เต็มแก้วก่อน พอเต่มเส็จแล้วยังมีน้ำเหลืออยู่ก็เอาไปายใส่แก้วคนอื่นของคนอื่นต่อไปคุณพิมลพาครับนั่งสมาธิกายหายไปรู้แค่ลมหายใจเข้าออกเมื่อออกจากสมาธิรู้สึกมีความสุขแบบนี้เริ่มต้นมาถูกทางหรือไม่ครับถ้ายังรู้ลมอยู่มันก็ยังกายก็ยังไม่หายนะเพราะการลมเข้าออกก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย อะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาเลยปัญหาอยู่ที่ว่ามีควาสมสงขหรือเปล่ามีความสมบอยูหรือเปล่าว่าถูกทางคุณมารีรัตครับอันนี้รายงานบอกว่าโยโมไม่ได้ไปเขาดาวฟังธรรมจากพระอาจารย์แล้วจะสวดมนต์ข้ามปีและนั่งสมาธิที่บ้านพระอาจารย์เมตตาพรให้โยมเกิดกําลังใจสงบนิ่งเข้มแข็งด้วยครับก็นี่แหละอัตตาเหยียบมโนโนาถถมเป็นดีพืชของตนยังสร้างพรด้วยการกระทําของเราเอง คุณวีนาครับมันตุดจีนเขาให้กวาดพื้นเป็นเพราะจะกวาดเงินเ อ, เอาทองออกจากบ้านจริงไหมครับเป็นความเชื่อเฉยๆถ้าถ้าจริงนี้ก็กวาดเข้ากวาดเข้าบ้านไม่ได้เลยถ้าจะได้เงินทองเข้าบ้านเรวไปกวาดมันออกเสียไปกวาดขยะที่อยู่นอกบ้านเข้ามาในบ้านเราเงินทองมันจะได้เข้ามาคุณชัยยันครับ เวลาผมนั่งสมาธิมีความคิดในเชิงบวกทําให้เกิดการปรุงแต่งในทางที่สร้างสรรค์แบบนี้เราควรปรุงแต่งต่อไปไหมครับไม่ควรเพราะเราจะทำใจให้สงบไม่ได้เราก็จะไม่ได้รับผลที่เกิดจากความสงบของิใจคือความสุขที่เหแล้วก็ความสงบทั้งปวงคุณวัสนาบอกว่าขอากราบครับช่วงที่นั่งฟังพระอาจารย์เทศเหมือนพระนิพพานอยู่ใกล้ เหมือนว่าอะไรที่ติดขัดก็จะแก้ให้หมดไปโดยง่ายแต่พอเวลาไม่ได้ฟังเหมือนปิดไฟมืดได้คำทางไปแบบนี้ต้องไปอยู่ประจำที่วัดยานใช่ไหมครับเพราะไม่ต้องสมัยนี้เราสามารถฟังธรรมได้ตลอดเวลาเข้าไปเลย u t u b e ในเฟซบุ o กเนาะมีธรรมะให้ฟังอยู่เยอะแยะไปหมดเลยฟังมาได้เรื่อยๆไม่จำเป็นจะต้องมาเองแลถ้าสมัยก่อนเนี่ยไม่มีสื่ออาจจะต้องไปอยู่วัด ได้ได้ยินได้ฟังสมัยที่หลวงตาไปตรวจคุณคุณเผาบางายเธอเป็นโรคโรคอะเรขั้นสุดท้ายเนี่ยเธอต้องไปอยู่วัดเพราะสมัยนั้นไม่มีการสือ่อสาร เ, เธออยากจะฟังธรรมทุกคืนก็เลยต้องไปขออนุญาตหลวงตาอยู่กับท่านหลว ง, งตาท่านก็ไม่ตาไปสอนธรรมะอยู่ถึง90ครั้งกันเก้ัน90คืนด้วยกันท่านบอกท่านท่านพามาท่านไม่เคยสอนใครอย่างนี้มาก่อนเลย ไฟชัดตาเพราะวันนี้เป็นปีเดียวเราที่เราเข้าไปพอดีเราไปอยู่ปี2518เ้าเข้าไปช่วงเดือนเดือนเมษาแต่คุณเพ้านี่ไปช่วงพฤศจิกาห ล, หลังจากที่ออกออกพรรษาแล้วปลายปีแต่ไปเข้าไปช่วงปลายปีไปอยู่ประมาณ3เดือนกว่า4เดือนแล้วถ้าเากลับไปปฏิบัติที่บ้านต่อจนเสียชีวิตไป ผมเคยฟังธรรมะชุดนี้จบเลยครับอาจารย์ครับเตรียมพร้อมชุดเตรียมพร้อมท่านสอนให้เตียบตัวตายวิธีตายยังไงที่จะตายแบบไม่ทุกข์ต้องปล่อยวางตาเนรเจ้าจบอกสังขารไป็นของไม่เที่ยงการปล่อยวางสังขารได้เป็นสุขอย่างยิ่งอุปสมาสุโ ข, ขพอาจารย์ครับโดยช่วงนั้นตัดเสียงได้เสียงดีด้วยนะครับอาจารย์ พอดีท่านปัญญาเป็นพระชาต่างประเทศน่ท่านรู้จักเครื่องกับเสียงที่ดีแล้วก็มีศรัทธาญาติโยมพร้อมที่จ ะ, ะจัดหาซื้อให้เวลาท่านคิดว่าเราต้องเอาเครื่องดีๆไมโครโฟนดีๆม า, ม า, าให้กับหนูตาเขาก็ยินดีเขาก็มีประจัดซื้อของราคาที่แพงที่สุดที่มีอยู่ได้ไมโครโฟนที่ดีสำไมท่าม้านี่หนูตาท่านจะไม่อนุญาตให้อัดเสียง แนะที่ท่านอบรมพระนะถ้าปัญญาก็ด้วยท่านเอ า, เอาไมโครโฟนซ้อนไง้ใต้านจีวรโ อ, อ, อ, อ, อในฝังทรามที่ท่านสารย์าระเรียนกันปัญญาท่านจะแม้าใเพราะท่ า, ทานบอกว่ามันเป็นเป็นเรื่องเฉพาะองค์ในของพวกปฏิบัติด้วยกันถ้าออกไปวงนอกแล้วฟังแล้วว่าอาจจะคลายว่าเป็นเหมือนพวกพวกสาดิตหรือเปนพวกอ่าสุดโ ต, ต่งท่านเลยไม่อยากจะให้เขาเห็นภาพนึงกภาพอย่างนั้นขึ้นมา ท่านก็เลยไ ม, ไม่ไม่ไม่อยากให้อัาเสียงเท่าไหร่แต่ต่อมาพออ่านแล้วไปเผยแพร่แล้วกับคนมีคนชาอบท่านก็เลยไม่ว่าเลยอ๋ อ, อแล้วพระอื่นๆก็ท่านอาจารย์องค์อื่นก็รู้ว่าท่านปัญญาอัดอยู่ใช่ไหมค <laughs> รับรู้ก็ไปขอฟังจากท่านสิ <laughs> คุณแต้มสีครับ บอกว่าตอนเด็กๆ เ, เป็นคนเซนสิทีฟร้องไห้ง่ายใครว่าอะไรนิดหน่อยคิดมากเก็บไปร้องไห้คนเดียวและที่ฉันฝึกตัวเองใหม่ใครว่าอะไรจะต่อหน้าคนอื่นหรือไม่ดิฉันจะวางใจว่าเขาไม่ได้ด่าเราใช้เวลาหลายปีค่ะเพราะจะฝึกได้ต่อเมื่อเราโดนว่าปัจจุบันนี้ยังต้องใช้เทคนิคนี้อยู่บ้างเลยเชื่อเรื่องอัตตาเรื่องตัวเราของเราครับอ ม, มีคุณปูเป้บอกว่าธรรมะที่ฟ้าอาจารย์สั่งสอนมีประโยชน์มากๆครับทําให้ตัดกิเลสโลภโกรธหลงได้เยอะมากครับ ขอขอบพระคุณพระอาจารย์ครับสาธุจะคนคอมเมนต์อย่างนี้เอะครับคุณสรินบอกว่าวันนี้มีธรรมะของพระอาจารย์เป็นที่พึ่งทางใจถึงอยู่คนเดียวก็ไม่เหงานะครับนิสมพรครับโยมฟังธรรมะของพระอาจารย์ทั้งแบบไลฟ์สดและแบบตามฟังเทปธรรมะของพระอาจารย์การฟังธรรมของพระอาจารย์ทำให้โยมมีความสุขและมีสมาธิคําถามคือโยมจะเอาการฟังธรรมะของพระอาจารย์ที่ทําให้มีสมาธิ แทนการนั่งสมาธิแทนได้ไหมครับสมาธิที่เกิดจากการฟังธรรมกับการนั่งสมาธิมีความเหมือนความแตกต่างหรือเปล่าดูดูจิติโยมชอบของง่ายถูกจริตกับการฟังธรรมของพระอาจารย์แล้วใจเกิดสมาธิครับคือในเบื้องต้นเราอยากนั่งสมาธิเองไม่ได้เราก็อาศัยการฟังธรรมเป็นการฝึกสมาธิไปในระดับต้นๆได้แต่ความสมงบมันจะไม่ลงไปลึกเท่ากับการที่เรา ดูลมหายใจเข้าออกเองหรือบริกรรมพุทธโธเองดั น, นั้นเสิท่ที่เราควรทำหลังจากที่เราฟังเทศเ ส, สร็จก็คจะนั่งต่อไปสักพักหนึ่งโดยที่ปิดเสียงเทศแล้วก็แล้วก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธหรือการดูลมหายใจต่อไปดูซิว่าจะทําต่อไปได้สักมากน้อยเท่าไหร่ต่อไปเราต้องใช้อะไรใช้การการการปฏิบัติของเราเอง การอาัยฝั่งเทศฝั่งธรรมมันก็มีขอบเขตมันก็ทําให้สงบได้ในระดับหนึ่งคือมันทําได้ไม่ไม่ให้ฟุ้งซ่านได้ป้องกันไม่ให้พุ่อยจะทําให้รวมป็นดับปาาัญหาสมาธินี่มันเป็นไปไม่ได้ <c oughs> คุณธนพัฒครับสมัยก่อนเวลาดูกีฬาแล้วทีมที่เชียร์แพ้จะรู้สึกเป็นทุกข์สมัยนี้รู้สึกปล่อยวางมากขึ้นคิดว่าแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรเพราะจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับเราก็ทุกน้อยลงแต่ยังไม่ ไม่ถึงกับหมดไปควรทําอย่างไรเพิ่มเติมครับก็อย่าไปเชียร์มันด้วยใครแพ้ชนะมันก็ไม่เกี่ยวแ <c oughs> อ้วกปล่อยเขแพ้ก็ชนะไปเราก็ดูไปเฉยๆหรือเชียร์ทั้งสองทีมเลยก็หมดเรื่องได้จะได้ไม่เสียใจทีมชนะทีนี้ชนะเราก็ดีใจทีนี้ชนะเราก็ดีใจ <c oughs> เราโง่ยหรอเราไปเลือกเลือกทีมเดียวทําไมในเมื่อเราสามารถเลือกสองทีมได้มีใครมาห้ามเราหรือเปล่า แม่เชียร์สองทีใช่ไหมครับต้องซื้อเสื้อสองทีเลยว่าฉันคุณทีคัฒนาครับตั้งแต่ติดตามพระอาจารย์มาสามปีมีความก้าวหน้าสนใจในการทำตลอดเวลาฟังแล้วตื่นเบิกบานเห็นทุกเกิดดับเป็นธรรมดาเข้าใจจิตมีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเกิดดับไปตลอดเวลาอยู่กับการขัดเกลาเกรดเสมอ ขอความเมตตาพระอาจารย์ให้คำสั่งสอนลูกศิษย์ออนไลน์เพิ่มเติมออกนะครับก็แล้วแต่ธาตุขันว่ามันจะไปถึงไหนไหวเมื่อไหร่วันหนึงมันก็คงจะไม่ไหวก็ต้องหยุด <c oughs> คุณสุกัญญาครับการที่เราจะสามารถขึ้นสวรรค์ได้ขึ้นกับจิตสุดท้ายก่อนตายจริงไหมคะัแล้วเราจะต้องนึกอย่างไรครับออไม่จริงหรอกมัน้น อ, อยู่กับบุญที่เราได้ทำาว่มามากกว่าบาปหรือเปล่า ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปเราก็จะขึ้นสวรรค์ไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราทำบุญน้อยกว่าทำบาปเราก็ขึ้นสวรรค์ไม่ได้เพราะบาปจะดึงใจเราไปอาบายแทนคุณเอ็มเคครับช่วงนั่งสมาธิบ่อยรู้สึกนอนไม่หลับเห็นร่างกายมันนอนแต่เหมือนรู้ตัวตลอดลูกนั่งสมาธิผิดไหมคะและจะแก้ไข ย, ย่างไรครับมันก็ไม่น่าเกี่ยวกันนะเพราะว่าการ การนั่งสมาธินี่เพื่อหยุดความคิดในเวลาที่เรานอนไม่หลับเพราะเราเราไม่ควบคุมความคิดเราปล่อยให้มันคิดมันก็เลยนอนไม่หลับมากกว่าเย่างถ้าเรานั่งสมาธิได้เราหยุดความคิดได้เราก็เรองเวลานอนหลับมันจะหลับได้ง่ายกว่าเพียงแต่หยุดความคิดมันก็หลับแล้วคุณอูดครับการเข้าพวังตามหลักนั่งสมาธิต้องรู้สึกตัวตลอดขณะนั่งสมาธิใช่ไหมครับ ได้หรือว่าตอนนี้จิตสงบแล้วเมื่อกี้ไม่สงบเมื่อกี้ฟุ้งซ่านยันนี้สงบนิ่งความคิดหายไปหมดเหลือแต่สักแต่ว่ารู้คุณพุท ธ, ธาครับคนเป็นแม่ชีแล้วไหว้คารวะที่อายุมากกว่าเลยมีคุณธรรมมากกว่าเช่นเป็นคารวะที่เป็นอรหันต์อนาคามีที่มาสกิทาคามีโสระบันที่มาทําบุญที่วัดไม่ได้หรือครับ ไม่หลับความจริงการไหว้คนที่เขามีธรรมเนียมใช่ไหมส่วนใหญ่ผู้นะั้นจะไหว้ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่ก็ตอบว่ารับรับกลับมผู้ใหญ่ก็ว่าจะไหว้กลับใช่ไหมเวลาเราไปกราบใครบางทีท่านก็นยกมือตอบรับการไหว้ของเราอันนั้นก็อยู่ที่ธรรมเนียมของสังคมเขานิยมทํำยังไงก็ทําอย่างนั้นส่วนการเป็นสมุดดาบาันเป็นอาหารที่เราไม่รู้เนี่ยข้างในเขาเป็นอะไรงั้นเราก็จะไม่เอาประเด็นนี้มาเป็นประเด็น ถ้ามไม่ให้เราไปไหว้เขาหรือให้เขาต้องมาไหว้เราเตรงนี้มันไม่ใช่ถ้าเราเป็นอาลาหาันี่ไปไหนก็ต้องคนหนึงต้องไหว้เรานีดเขาไม่รู้ว่าเราเป็นอาลาหาันจะทํำยังไงต้องติดป้ายไว้ที่หน้าศีรษะเราหรือว่าเป็นผ้าอาลาหาันงั้นเราก็ว่าไปตามสมมุติของโลกอ่ะเราอยู่ีในส่ลกส่วนเรื่องวิมุตติเรื่องหลุดพ้นทางจิตใจมันไม่เกี่ยวกับการเรื่องการไหว้ไม่ไหว้แต่คนสมัยนี้สับสนกันไม่หมดนเไหว้คนนี้เป็นผ้าอาลาหาัน เป็น แ, แม่ชีเป็นพระอาหารนี้แล้วพระต้องไหว้เขาเนี่ยมันไม่ถูกหรอกพ่าตามธรมมธรมเนียมก็มีธรรมเนียมว่าถ้าเป็นคาราวาสแม่ชียัยงถือว่าเป็นผู้คลองเรืออยู่มีศีลน้อยกับผู้ที่เป็นบวชเป็นพระก็ต้องแสดงความเคารพกับผู้ที่มีศีลสูงกว่า<ม>ทั้งในี้คุณเที่ยวไปเรื่อยครับมีพระฝรั่งบวช ส, สิบพรรษาสวดปาฏิโมกได้ไพเราะแล้วอยู่ๆก็ศึก หรือพระชื่อดังที่บวชมานานสี่สปีพรรษาแล้วไปศึกไปมีเมียเป็นเพราะอะไรครับท่านขาดการพิจารณาอะไรครับขาดพิจนนารณาสุภาพเนี่ยและไม่พิจารณาสุภาพพอให้นหน้านกายหน้าตาสวยงามก็เรียกว่าภายใต้ผิวหนังนั้นมีโครงกระดูกซ่อนอยู่มีอวัยวะน้อยใหญ่ซ่อนอยู่ภายในแต่ถ้าฝึกกับสุภาพบ่อยๆทุกข้างไปต่อไปเห็นหน้านกายมันจะเห็นทะลุบุกเข้าไปใต้ผิวหนังเลยมันมีเอ็กซเลย์ใต้เอ็กซเลย์ คุณอดิศัยครับขอเรียนถามว่าสามารถนอนทําสมาธิและหลับไปได้เลยได้หรือไม่ครับถ้าเราต้องการหลับกัได้เลยถ้าเราต้องการทำํำถ้าต้องการผลคือสมาธิก็ไม่ควรจะนอนในใ น, ในท่านอนเพราะมันจะหลับมันจะไม่ได้สมาธิอาจารครับวันนี้มีหลายคอมเมนต์ที่ขอให้พระอาจารย์มีท่าขันแข็งแรงอยู่ให้ธรรมะคำสอนกับผู้ใฝ่ธรรมไปนานๆ น, นะครับ ก็าตุการ์มมันก็เป็นของที่เราขอมันได้หรือเปล่าถ้าขอได้ก็ดีแต่เราก็ให้พรด้านโยมทุกครั้งบ<ม>่อยๆขออยู่เกินน้อยนะข อ, อสุขภาพแข็งแรงเขาก็รับรับกั น, น, นแต่มันจะได้หรือไม่ได้มันไม่ได้ไอยู่ที่คำคำขอหรือคำให้พรนะมันอยู่ที่ว่าเราสามารถที่จะรักษาความสมบูรณ์ของธาตุสี่ให้อยู่ไปได้นานเท่าไหร่มาก่า คุณชูติการครับการถวายน้ำน้ำหิ้งพระตอนเช้ามีในคําสอนไหมครับไม่มีนะพระพุทธลูกก็ไม่มีในคําสอ น, น, นวหาหอ่าพระเจ้าบอกว่าพระพุทธลูกไม่ใช่เราเราไม่ใช่เป็นพระพุทธลูกเราคือธรรมธรรมคือเราให้บูชาธรรมเราจะได้บูชาตถ า, าคตด้วยการปฏิบัติบูชาคุณไพโรธครับอยากหลุดพ้นต้องออกบวชใช่ไหมครับ ก็ไม่เสมอไปบางคนก็ไม่อดบวญก็หุดทนได้ถ้าสามารถจเจริญสติสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจก็หุดทนได้แต่การอดนี้มันจะทําให้มันเอื้อต่อการปฏิบัติให้หุดทนได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าคุณวรรฒนาครับระหว่างนั่งสมาธิก็ฟังธรรมที่พระอาจารย์สุชาติเทศไปด้วยแล้วก็รู้สึกเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นทําได้ไหมครับ ถ้าเราตั้งใจฟังก็ได้แต่ถ้าเรานั่งสมาธิเราพุโทโธพุโทโธของเ ร, เราฟังธรรมไปเรืยมันก็จะชนกันมันก็จะไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องเพราะใจเราก็มัว อ, อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุโทโธแต่ถ้าเราใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์นี้ก็ก็ได้การฟังธรรมด้วยการตั้งใจฟังเสียงธรรมล้วก็จะได้ประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งบางทีฟังแล้วเราไม่เข้าใจแต่เรากอดติดอยู่กับเสียงก็ทําให้ใจเราสงบเป็นสมาธิขึ้นมาได้ หรือถ้าเราฟังแล้เราเข้าใจพิจารณาตามได้เราก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาคุณพี่ทิพย์ครับขณะกินอาหารเรารู้สึกว่าอร่อยควรปฏิบัติอย่างไรหรือควรพิจารณาอย่างไรครับถ้าเราอยากจะไม่ยึดติดกับอาหารเราก็ต้องนึกถึงภาพของอาหารที่อร่อยว่ามันอร่อยจากคนที่หน้าตามันหน่อยนั่นว่าเป็นยังไงก็ลองคลา ย, ายอาอกมาจากปากดูแล้วก็ลองตัดกลับเข้าไปกินใหม่หนึ่ง ว่ามันน่ากินไหมน้าอ่างเราบางคนอาจจะไม่คิดว่าอร่อยก็ได้บางคนจะเกิดความรู้สึกขยะขยงขึ้นมาก็ได้คุณสระยุคสระยาครับก่อนนั่งสมาธิต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งไหมครับหรือนั่งได้เลยครับนั่งได้เลยถ้าเราอยากจะนั่งได้เลยเราอยากจะสวดมนต์ก่อนก็ได้บางคนนั่งไม่ได้เลยก็เลยสวดมนต์ไปก่อนด้วยการกล่อมใจไปก่อนด้วยการสวดมนต์พอสวดเสร็จแล้วใจก็เริ่มมีความสงบ แต่ระดับที่พอจะนั่งสมาธิต่อได้ก็นั่งต่อไปคุณอะไรก็ได้ครับนั่งสมาธิกับเดินจงกรมได้บุญเท่ากันไหมครับคือการเดินและการนั่งจะได้บุญนั่งร้อยอยู่ที่ว่าสงบหรือไม่สงบนะส่วนใหญ่เวลาเดินจงกรมมันจะสงบไม่ได้เท่ากับเวลานั่ ง, น, งนั่งสมาธิ เวลานั่งสมาธินี่จิตไม่ต้องคอยควบคุมร่างกายไม่ต้องสั่งให้ร่างกายเดินจิตก็จะนิ่งสงบได้แต่ท่านเดินได้ยากที่จะทําให้จิตนิ่งสงบได้แต่เป็นการเจริญสติมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้บุญเกีับความสงบต้องนั่งสมาธิแต่บางทีนั่งสมาธิอย่างสติยังมีไม่พอแล้วนั่งแล้วมันนั่งมันทนกับความเจ็บไม่ได้เราก็อาจจะต้องเลื่ขึ้นมาเดินจงกรมเจริญสติ ก่อนแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่อาจารย์คำถามสุดท้ายครับคุณเต้เต้ครับพิจารณาอาสุภะให้ได้ผลต้องทําอย่างไรกําลังอ่านหนังสือกายคตาสติพยายามพิจารณารูปต่างๆแต่รู้สึกไม่ค่อยสะเทือนใจส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเคยเห็นเคยทราบมาแล้วตั้งแต่ตอนเรียนอาจารย์ใหญ่หรือคนไข้ต้องทําอย่างไรถึงจะพิจารณาได้ผลคะขอบพระคุณพระอาจารย์ครับคือเบื้องต้นเราต้องการจะจดจำภาพเหล่านี้ให้มันอยู่ในใจของเรา เวลาที่เราเกิดการมารวมกับคนใดคนหนึง่งก็ให้เราเลกถึงภาพเหล่านี้ว่านี่คือร่างกายของเขาเนะจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็จะทำให้เราดับการมารวมได้อโอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆสง ส, สัยไปเข้าดาวเยอะครับใน Facebook <c oughs> มีหกรอยสิบแปดคนครับใน y o u t u ห้าร้อยห้าสิบห้าคนในขับเท้าเจ็ดคนครับมีคนที่ฟังทําอยู่ในการตอนนี้หนึ่งพันสองร้อยสิบคนครับอาจารย์ ก็หายไปประมาณห <Okay. S 1> ้าร้อยอาจจะอาจจะดส่วนมองเข้ายาวตามมาต่างๆก็ได้หรืออาจจะดูการจุจดพลุต่างๆตอนนี้กำลังๆังเนี่ยรอบๆติก็ได้ยินเสียงแล้วพูดดังอนะ <Okay. S 1> ก็เป็นเรื่องของทางโลกคนที่ยังติดแสงสีเสียงอยู่ยังมีการมานมอยู่ก็จะเหมือนแมงเมา้ม า, ม า, ม า, มาชอบวิ่งเข้าเข้าหาไฟแต่ถ้าเข้าไปใกล้ก็ถูกไฟเผาตายยังต้องระวังนะ การคือรูปเสียงกินร้อนนี่มันถึงแม้ว่ามันจะน่าพิศวาสน่าน่ายินดีแต่มันก็อันตรายถ้าเราไปติดมันติดมันแล้วมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เวลาที่เราไม่ได้เสกมันก็ต้องระวังต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของกามุกุณแล้วมันจะได้พยายามหยุดไม่ไปพึ่งมันไม่ไปเสกมันพึ่งสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ไม่มีโทษหรือเป่าก็คือการทําใจให้สงบสําหรับคนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา เรขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านให้ยินได้ฟังไปเ พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทำ ย, ยิ่งขึ้นไปและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภาระและมีความเจริ ญ, รรญทั้งไทยทั้งธรรมและทางโลกโดยทั่วหน้ากันเทอส่งและทูก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพลงเท่านี้ ถ้าไม่มีเหตุการองันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ